เสียงานหนังสือความสวัสดีเรียบเรียงโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งมหาวิทยายลัยสง์ของไทยผู้แตกฌานทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติสมาธิวิปัสนาผู้แปลและชําระอัตถกาถาและดีกาฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยซึ่งเป็นคำพีที่อธิบายความหมายของคําศัพท์ที่เข้าใจยากและความหมายของวลีประโยคหรือข้อความที่มีในยาสลับซับซ้อนในพระไตรปิฎก ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและเป็นผู้ก่อตั้งสำนักค้นคว้าทางวิญญาณและศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนซึ่งเป็นสถานที่หลักสำคัญในการใช้ฝึกอบรมสมาธิวิปัสสนาแก่พระนิสิตของมหาจุฬาคำปรารพในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจว่า ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนของมันที่แท้จริงและไม่ควรจะยึดถือสิ่งใดว่าเป็นตัวเราหรือของของเราหลักอันนี้เป็นหลักที่ถูกต้องเป็นหลักความจริงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าแต่ถาคตจะเกิดหรือไม่ก็ตามข้อที่ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตานี้เป็นหลักความจริงที่ดำรงคงอยู่อย่างนี้เป็นนิส ไม่แปลาพันเป็นอื่นตถาคตรเดียรู้แจ้งเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้วนํามาบอกและอธิบายทําให้ง่ายขึ้นข้อความที่ข้าพเจ้าอ้างมานี้มีอยู่ในธรรมนิยามสูตรอังกุตระนิกายติกานิบาตประไตยปิฎกเล่มที่ยี่สิบและในมูลาป ร, ริยยสูตรมชิมานิกายมูลปัญ น, นาตพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสอง พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่าแม้ว่านิพพานจะเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นสิ่งที่คงที่ยั่งยืนแต่ก็ไม่ควรจะยึดถือซึ่งนิพพานว่าเป็นตัวเราหรือของของเราจากข้อความที่อ้างมาทั้งสองแห่งนี้แสดงให้เห็นว่ามติของพระพุทธศาสนาปฏิเสธเรื่องอัตตาโดยตลอดสายซึ่งเมื่อจะว่าโดยทางทฤษฎีแล้ว ย่อมเป็นอย่างนี้โดยไม่มีปัญหาแต่เมื่อพูดถึงในทางปฏิบัติเพื่อที่จะให้เกิดผลตามทฤษฎีคือเพื่อให้มีการปล่อยวางไม่ยึดมั่นในเรื่องตัวตนนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งในหนังสือเล่มนี้มีความมุ่งหมายที่จะแนะนวการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามทฤษฎีซึ่งการแนะนวที่ว่านี้ท่านผู้อ่านที่ติดคำพีติดตัวหนังสือโดยไม่ได้เห็นความหมายอันทองแท้ของเรื่องนี้นั้น อย่าเพิ่งวู่วามถ้าเห็นอะไรผิดแปลกไปจากที่เคยเข้าใจก็จงเฉยไว้ก่อนและพยายามอ่านให้จบก<น>ารบรรลุธรรมหรือการตรัสรู้ธรรมไม่มีทางลัดในทำนองเดียวกันการที่คนเราจะสร้างกุณธรรมให้เกิดขึ้นในสันดานของตนเพื่อจะได้เป็นอุบายทําให้ละความชั่วทําให้วิบาก ข, ของความชั่วในสันดานค่อยๆหมดไปนั้น ก็ไม่มีทางลัดเช่นเดียวกันทุกคนจะต้องค่อยๆก้าวขึ้นมาจากพื้นฐานของตนมันเหมือนกับการเจริญเติบโตของต้นไม้เราจะเร่งให้มันเจริญเติบโตเร็วกว่าธรรมชาติของมันไม่ได้ต้นไม้ชนิดไหนจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหรือช้าอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับประเภทของต้นไม้แต่ละชนิดคนเราก็เหมือนกันใครจะตัสรู้เร็วหรือช้า ความดีจ ะ, จะเจริญเร็วหรือช้าย่อมขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละบุคคลคนที่มีพื้นฐานมาดีก็ไปเร็วคนที่มีพื้นฐานมาไม่ดีก็ไปช้าการสอนให้คนเข้าใจเรื่องอนัตตาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สุดที่จะพันน า, นาถ้าหากสอนนี้ถูกวิธีเต่ดถ้าสอนผิดวิธีแล้วนอกจากจะทำให้เสียเวลาและไม่ได้ผลอะไรแล้วยังจะเป็นอันตรายแก่คน ที่ได้รับการสอนไปอย่างผิดๆอีกด้วยถ้าหากเขาเชื่อและทำตามข้าพเจ้าได้คำนึงถึงปัญหาข้อนี้จึงได้พยายามเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นแนวทางของผู้ที่จะสอนเรื่องนี้ตลอดถึงผู้ที่จะนำเรื่องนี้ไปใช้กับตนเองขอให้สังเกตว่าในเมื่อคนเรายังตามอยู่ซึ่งหมายความว่า พื้นคุณธรรมในสันดานยังไม่มั่นคงหรือมีไม่พอการยึดถือตัวตนเป็นสิ่งสำคัญหมายความว่าไม่ว่าจะสอนใี้เขาทำอะไรจะต้องให้เขายึดถือตัวตนไว้เสมอซึ่งถ้าไม่ยึดแล้วเขาจะทำตามที่เราแนะนำไม่ได้ตัวอย่างเช่นเด็กๆ เ, เราจะต้องสอนให้เขารู้ว่าเขาชื่ออะไรและอะไรคือของของเขา และจะต้องสอนให้เด็กรู้จักรักและหวงแหนสิ่งที่เป็นของของเขาและในบางกรณีเราก็จะต้องสอนให้เขาหยิงในตัวเองสอนให้มีการไว้ตัวให้รู้จักว่านั่นของเรานี่ของเราเขากับเราไม่เหมือนกันจะต้องสอนให้รู้จักรักเกียรติรักตระกูลรักชื่อเสียงการสอนในทํานองนี้จําเป็นจะต้องมีจะไม่มีไม่ได้ พระที่บวชใหม่ยังไม่ได้บรรลุมากผลจิตใจยังไม่สูงพอพระพุทธเจ้ายังต้องตรัสสอนว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าบัดนี้เราไม่ใช่คารวะาแล้วยิริยาอาการอันใดซึ่งไม่ใช่ของพระเป็นของคารวะาเราจะต้องไม่ประพฤติคำสอนของพระพุทธเจ้าในลักษณะเช่นนี้มีมากเพราะฉะนั้น การสอนเรื่องอนัตตาจะต้องระวังอย่าทำอะไรพรวดพราดเร็วเกินไปโดยธรรมดาของคนเกือบจะทั้งโลกในคราวที่จะเล่าเว้นความชั่วต่างๆได้ไม่ยอมทำความชั่วต่างๆนั้นเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เขามีอำนาจยับยั้งตัวเองได้คือความรักชื่อเสียงกลัวเสียชื่อความรู้สึกอันนี้ใช้ไปได้นานมากแม้จะเป็นพระอาริยบุคคลแล้ว ซึ่งถ้าไม่ใช่ขั้นพระอระหันต์ความรู้สึกที่ว่านี้ก็ยังมีอยู่เป็นแต่เพียงว่ามีเหตุผลมากขึ้นสุขุมและเยือกเย็นมากขึ้นแม้จะรักชื่อเสียงแต่การเป็นห่วงตัวเองก็มีน้อยซึ่งหมายความว่าในบางกรณีถ้าหากจะทำอะไรแม้คนอื่นจะตำหนิจะดูถูกหรือเยียดยามอะไรก็ตามแต่ถ้าตนเองแน่ใจว่า สิ่งที่ทำนั้นถูกต้องมีประโยชน์ก็กล้าทาไม่เป็นห่วงชื่อเสียงไม่กลัวลำบากไม่กลัวอุปสรรคไม่กลัวตายการเป็นห่วงชื่อเสียงหรือความกลัวต่างๆนั้นจะสุ ข, ขุมและประนีตขึ้นโดยลำดับตามพื้นผูมธรรมการรักชื่อเสียงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหนึ่งแม้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากุลบุตร ผู้ปรารถนาที่จะบรรลุถึงทางที่สงบคือนิพพานจะต้องไม่กระทำสิ่งที่วินยูชนติเตียนซึ่งสิ่งนั้นแม้จะเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆก็ตามข้อนี้หมายความว่าเมื่อจะทำอะไรถ้ามองเห็นว่าสิ่งนี้ในเมื่อทำลงไปแล้ววินยูชนทั้งหลายจะพึงติเตียนเราได้ก็ไม่กระทำหลักข้อนี้มีอยู่ในเรื่องกรณียเมตสูตร เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าการยึดถือตัวตนก็เป็นสิ่งจาเป็นสำหรับการปฏิบัติเช่นเดียวกับการปล่อยวางในเรื่องตัวตนเหมือนกันท่านควรจะเข้าใจหลักของการปฏิบัติข้อหนึ่งซึ่งคนส่วนมากไม่ค่อยจะคานึงถึงคือการที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละการยึดถือนั้นหมายความว่าให้ละความยึดถืออย่างเก่าและในเวลาเดียวกันนั้น ก็ให้มีความยึดถืออย่างใหม่และที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละตัณหาคือความอยากต่างๆก็หมายความว่าให้ละความอยากอย่างเก่าให้มีความอยากอย่างใหม่การปฏิบัติธรรมเหมือนกับการขึ้นบันไดซึ่งจะต้องก้าวไปทีละขั้นการขึ้นบันไดนั้นจะต้องมีการละและมีการยึดไปโดยลำดับ ตราบใดที่ยังไม่ถึงขั้นสูงสุดก็จะต้องเป็นเช่นนี้ตลอดไปต่อเมื่อถึงขั้นสูงสุดแล้วจึงจะไม่เกาะไม่ยึดอะไรอีกต่อไปและไม่อยากได้ไม่อยากเป็นอะไรทั้งสิน้นซึ่งขั้นสูงสุดที่ว่านี้คือขั้นเป็นพระอรหันต์ข้าพเจ้าสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนทีเดียวว่าสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้คนส่วนมากเบื่อหน่ายต่อศาสนา ไม่อยากจะสนใจกับเรื่องศาสนาก็เพราะเขารู้สึกว่าในเมื่อนำตัวเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วรู้สึกว่าคำสอนในทางศาสนาเขาปฏิบัติตามไม่ได้และเมื่อปฏิบัติตามไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์เราจะต้องแก้ปัญหาที่ว่านี้ซึ่งถ้าแก้ได้ก็จะทำให้คนสมัยปัจจุบันหันมาสนใจทางศาสนากันมากขึ้น การบรรลุธรรมไม่มีทางลัดการปฏิบัติธรรมเหมือนกับการขึ้นบันไดหลักทั้งสองข้อนี้โปรดจำไว้ให้แม่นการละตัณหาก็คือการเปลี่ยนตัณหาการละอุปาทานก็คือการเปลี่ยนอุปาทานผู้ปฏิบัติอย่าเพิ่งรังเกียจถ้าหากตนเองเป็นคนมีตัณหาและมีอุปาทานอย่างใหม่เกิดขึ้น เราจะต้องยอมให้มีตันหาและอุปาทานอย่างนั้นไปก่อนในเมื่อรู้สึกว่ายังละไม่ได้ชายหนุ่มที่ยังขนองยังไม่มีโอกาสที่จะแต่งงานในเมื่อไม่สามารถที่จะทนต่อความรู้สึกในด้านกามอารมณ์และไปหาทางออกโดยวิธีไปเที่ยวหาผู้หญิงที่มีอาชีพขายตัวถึงแม้จะเป็นสิ่งที่น่าตำหนิหรือน่ารังเกียจแต่มันก็ยังดีกว่าที่จะไปขมขืน หรือกระทาผิดกฎหมายซึ่งทั้งสองกรณีนี้มันก็เป็นความผิดด้วยกันทั้งสองอย่างแต่อย่างแรกนั้นยังดีกว่าส่วนสำหรับคนที่เข้าผ่านพ้นจากความรู้สึกอันนั้นมาแล้วเขาก็ย่อมจะเลิกได้เองการปฏิบททัติธรรมจะต้องเป็นไปตามพื้นฐานของคนดังที่กล่าวมานี้ทางลัดไม่มี การสอนในเรื่องอนัตตาเราสามารถที่จะสอนกันได้ตั้งแต่เด็กๆถ้าหากว่าเข้าใจวิธีสอนและจะได้รับประโยชน์คุ้มค่าอีกด้วยข้อสำคัญอย่าเอาวิธีของผู้ใหญ่มาใช้กับเด็กก็แล้วกันและแม้ในจำพวกเด็กด้วยกันอายุเท่าๆกันวิธีสอนเพื่อให้ละความยึดถือในเรื่องตัวตนนั้นก็ยังมีแตกต่างกันออกไปอีกตามพื้นจิตใจของเด็ก แต่แม้จะแตกต่างกันอย่างไรก็ตามหลักสำคัญที่เหมือนกันอันหนึ่งทุกกรณีก็คือเมื่อจะสอนให้เขาละอะไรท่านต้องนึกเสก่อนว่าเราจะให้เขายึดอะไรแทนและสิ่งที่เขาจะยึดอันใหม่นี้เขาพอใจหรือไม่ถ้ายังหาที่ยึดแห่งใหม่ที่ดีกว่าอันเก่าให้เขาไม่ได้การสอนให้เขาละการยึดถืออย่างเดิมนั้นจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลย ด้วยหลักเกณฑ์ต่างๆดังที่กล่าวมานี้ข้าพเจ้าจึงไครที่จะแนแนววิธีการต่างๆเพื่อให้รู้จักเอาวิธีต่างๆเหล่านี้ไปใช้ซึ่งถ้าหากใช้ใถูกกาลาเทศะแล้วทั้งผู้สอนและผู้รับการสอนจะมีความเบิกบานใจมีความสดชื่นเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ซึ่งถ้าปลูกให้ถูกวิธีดินฟ้าอากาศเหมาะสมต้นไม้ก็งามคนปลูกก็สดชื่น ที่ได้เห็นต้นไม้ค่อยๆงามขึ้นมาโดยลำดับการสอนธรรมะเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยความรอบรู้อย่างกว้างขวางและความชำนาญต่างๆผู้ที่ไม่เคยถ้าได้ลองหัดดูแล้วจะรู้สึกว่าถ้าหากตนมีศิลปะในการทำให้คนอื่นละความเห็นผิดละความยึดถืออย่างผิดๆหันมาสนใจในทางที่ถูกต้องได้นั้นมันทาให้ชีวิตของเรามีความหมาย มีความสดชื่นยิ่งกว่าการปลูกต้นไม้หรือยิ่งกว่าการปลูกกล้วยไม้เสียอีกทำอย่างไรจึงจะมีกำลังใจและสดชื่นอยู่เสมอความกลัวเป็นภัยอย่างหนึ่งที่ทำลายความสุขของคนคนที่มีความกลัวต่างๆเกิดขึ้นเสมอ จะหาความสุขไม่ได้นับตั้งแต่กลัวเสียชื่อกลัวไม่สวยกลัวลำบากกลัวจนกลัวความเจ็บป่วยกลัวแก่และกลัวตายบรรดาความกลัวต่างๆเหล่านี้ถ้าหากใครสามารถกาจัดได้หมดสิน้นก็จะเป็นคนมีความสุขมากที่สุดแต่วิสัยของปุถุชนเราไม่สามารถที่จะกาจัดความกลัวเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปได้เพียงแต่ทาให้มันน้อยลง อย่าให้มันมากจนผิดปกติเพียงเท่านี้ก็ดีถมไปความกลัวต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะทำให้น้อยลงได้ทั้งๆที่เรายัางแก้ที่เหตุภายนอกไม่ได้ก็ตามเช่นความจนซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังจนอยู่ทั้งๆที่ยังแก้ไขความจนไม่ได้แต่ถ้าท่านเข้าใจเรื่องชีวิตตามความเป็นจริงแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขความทุกข์ทรมานทางใจ อันเนื่องมาจากความจนได้และในตานองเดียวกันคนที่เกิดมาไม่สวยแล้วรู้สึกทรมานใจคนที่แก่แล้วหรือที่กําลังจะแก่อยู่ก็ตามคนที่ใกล้ต่อความตายเข้าไปทุกทีก็ตามความทุกข์ทรมานหรือความกลัวต่างๆที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้ถ้าเรารู้จักชีวิตจริงๆของเรา พระพุทธเจ้าทรงสละราชสมบัติออกทรงผนวดความมุ่งหมายก็เพื่อต้องการจะทรงแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้และในที่สุดพระองค์ก็ได้ทรงค้นพบสัจธรรมสำหรับแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้อย่างได้ผลแน่นอนมีคนส่วนมากเข้าใจว่าคนเราจะพ้นทุกในความหมายของพระพุทธเจ้านั้นก็ต่อเมื่อตายแล้วไม่เกิดซึ่งคนส่วนมากฟังแล้วไม่เถียงไม่ขัดค้าน แต่ก็ไม่สนใจอันนี้เป็นความเข้าใจผิดความจริงคนที่เข้าถึงสัจธรรมซึ่งเมื่อพูดถึงในยะหนึ่งก็คือเข้าใจตัวของตัวเองอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงคนที่รู้จักตัวเองที่แท้จริงนั้นแม้ว่าจะยังมีชีวิตอยู่และยากจนหรือกำลังป่วยหรือโดยที่สุดแม้ว่าเดี๋ยวนี้จะแก่แล้วและกาลังใกล้ต่อความตายเข้าไปทุกทีก็ตาม ในภาวะเช่นนี้สำหรับคนที่เข้าใจเรื่องตัวเองอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงนั้นความทุกข์ทรมาที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปจนกระทั่งภายในจิตใจรู้สึกสดชื่นแจ่มใสเต็มไปด้วยความหวังแม้ในท่ามกลางเหงนความทุกข์ยากต่างๆดังที่กล่าวมาความสวัสดีที่ข้าพเจ้านามาเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนหนึ่งดวงประทีป ที่จะให้แสงสว่างแก่ทุกๆคนเป็นแสงสว่างที่จะทำให้คนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้และเข้าใจมองเห็นทางที่จะนาตนเองให้ผ่านพ้นออกไปจากความทุกข์ต่างๆได้ซึ่งถ้าจะพูดโดยอุปมาก็จะเป็นเสมือนหนึ่งว่าผู้ที่มีดวงประทีปอันนี้อยู่ในมือเขาสามารถที่จะเดินไปบนกองไฟที่มีเปลวไฟลุกโชดช่วงแต่ตัวเขาเองจะไม่รู้สึกร้อนเลย หรือบางคนถ้าจะร้อนก็ร้อนน้อยไม่ถึงกับพองหรือไม่ทั้งนี้ยอมขึ้นอยู่กับความเข้าใจเรื่องของชีวิตลึกซึ้งแค่ไหนถ้าเข้าใจเรื่องของตัวเองลึกซึ้งจนกระทั่งสามารถที่จะนั่งสมาธิได้ทุกเวลาและทุกโอกาสความร้อนแห่งเปลวไฟกล่าวคือความทุกข์ต่างๆนั้นมันจะกลายเป็นน้ำฝนอันสะอาดที่กาลังโปรยลงมาจากท้องฟ้าทาให้บรรยากาศเย็ยนลง และทำให้พฤกษชาติทั้งหลายสวยสดงดงามการศึกษาศาสนรรมของพระพุทธเจ้าถ้าศึกษาให้ถูกวิธีแล้วจะต้องได้ผลดังที่กล่าวมานี้จะมากหรือน้อยนั่นย่อมขึ้นอยู่กับความเข้าใจของแต่ละบุคคลข้อความต่างๆที่นา บ, บรรยายไว้ในหนังสือเล่มนี้เป็นแนวโดยสังเกต พ, พอที่จะให้ท่านรู้จักทางของตัวเอง หรืออย่างน้อยก็จะเป็นที่ปรึกษาสำหรับท่านได้อย่างดีว่าในเมื่อเราต้องการที่จะเดินไปบนทางที่ถูกต้องเราควรจะเดินทางไหนข้อความต่างๆที่บรรยายไว้ในหนังสือเล่มนี้จะพยายามใช้ภาษาและสำนวนที่ฟังเข้าใจง่ายสำหรับคนทั่วไปแต่ข้าพเจ้าใกล้ที่จะให้ท่านผู้อ่านโปรดทราบไว้ก่อนว่าแนวทางที่แนะนาไว้ในหนังสือเล่มนี้นั้นไม่ใช่เป็นของใหม่ หรือแวกแนวแต่ประการใดแต่คนทั้งหลายอาจจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกและใหม่ต่อความเข้าใจจนถึงกับเห็นว่าเป็นการสอนศาสนาที่ผิดก็ได้ฉนั้นข้าพเจ้าจึงขอเตือนเอาไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งวู่วามด่วนตัดสินง่ายๆข้าพเจ้าเป็นอาจารย์สอนวิชาธรรมะประยุกให้แก่พระนักศึกษาชั้นสูงในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยายลัยสงมาเป็นเวลาถึง2 0ปีในที่นี้นับเวลาถึงขณะที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับและสอนประชาชนมามากทั้งเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งคนที่มาเรียนกับข้าพเจ้านั้นมีตั้งแต่คนที่มีการศึกษาชั้นธรรมดาจนกระทั่งถึงนักศึกษาที่สาเร็จมาจากมหาวิทยายลายัยทั้งในและนอกประเทศจากประสบการณ์ต่างที่ข้าพเจ้าได้ผ่านมา ทำให้ข้าพเจ้ามีความชำนาญพอที่จะรู้ว่าคนในสมัยปัจจุบันนี้จะสอนอย่างไรจึงจะได้ผลและสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบทเมื่อสรุปแล้วจะต้องมารวมอยู่ในคำว่าไม่ควรจะอาศัยอะไรบาลีว่าอนิสิโตจะวิหรติ ซึ่งหมายถึงไม่ให้อาศัยสิ่งภายนอกและอีกคำหนึ่งก็คือนาจากินจิโลเกอุปาธิยติไม่ควรยึดมั่นซึ่งสิ่งใดๆในโลกหรืออีกบทหนึ่งว่าสัพเพ ธ, ธรรมานาลังอภินิเวสายะทมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นรรมหรือธรรมะ ต, ต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าตรัสเวนี้คือหลักสำคัญที่จะช่วยให้คนเราพ้นจากความทุกข์ต่างๆแต่เป็นการแน่นอนเหลือเกินว่าคนส่วนมากเข้าไม่ถึงและมองไม่เห็นประโยชน์ไม่ทราบว่าจะนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรและที่ร้ายที่สุดก็คือเขารู้สึกว่าทำตามไม่ได้ตัวอย่างเช่นชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่กาลังต้องการความสนุกเพลิดเพลินต่างๆ เขาดูอยู่แก่ใจว่าความสนุกเพลิดเพลินต่างๆที่เขากำลังได้รับอยู่นั้นมันมาจากความอยากและความยึดถือทั้งสิน้นเมื่อเป็นเช่นนี้จะให้เขาละทิ้งความอยากความรักความพอใจและความยึดถือต่างๆเขารู้สึกว่าถ้าจะให้เขาทำอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เท่ากับขุดหลุมฝังตัวเองทั้งเป็นเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าหญิงสาวหรือชายหนุ่มส่วนมาก ไม่สนใจศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างน่าสงสารเพราะความเป็นจริงหลักคำสอนนั้นที่กล่าวมานี้คนหนุ่มและคนสาวสามารถนําไปใช้ได้อย่างดีถ้าหากเขารู้จักนําเอาไปใช้และจะทําให้ความรักที่มีอยู่ไม่จืดจางหรือเหี่ยวแห้งตรงกันข้ามมันกลับจะทําให้ความรักสดชื่นมีชีวิตยั่งยืน เพราะเหตุว่าความรักของเขาได้รับการประโภคด้วยน้ำฝนแห่งอมตะธรรมอยู่เสมอน้ำฝนแห่งอมตะธรรมอันนี้สามารถที่จะขจัดผิดร้ายอันแฝงอยู่ในความรักให้ค่อยๆหมดไปและจะทําให้ความรักค่อยๆบริสุทธิ์สดชื่นและยั่งยืนขึ้นโดยลําดับอย่าลืมว่าในสมัยครั้งพุทธกาลพระนางวิสาขาซึ่งเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ ได้แต่งงานเมื่ออายุ16ขวบพระนางวิสาขาได้ครองรักกับสามีมาจนตลอดชีวิตเป็นความรักที่สดชื่นก่อให้เกิดพยานรักถึง20คนและยังมีหลานอีกมากมายในจิตใจของพระนางวิสาขาเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักอันประกอบไปด้วยความเมตตาปรานีต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายความรักเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่ง คล้ายกับเจ้าแม่อูมาซึ่งในยามที่ให้คุณเจ้าแม่อูมาก็จะปรากฏอยู่ในร่างที่สวยที่สุดจะหายิงได้ในสามโลกสวยทัดเทียมไม่มีเลยแต่ในยามร้ายเจ้าแม่อุมาก็จะปรากฏอยู่ในร่างที่น่าเกลียดน่ากลัวชอบกินเลือด ก, กินเนื้อซึ่งจะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเจ้าแม่กาลีคนที่เข้าใจปรัชญาของพราหมณ์ถูกต้องและลึกซึ้งนั้นเขาจะมองเห็นว่าคําสอนในทางศาสนาพราหมณ์ เป็นภาพพจน์ที่บรรยายถึงความจริงของมนุษย์ไว้อย่างสวยงามมากทำให้เข้าใจความจริงได้ง่ายด้วยเหตุนี้คําสอนของศาสนาพราหมณ์จึงยังสามารถครองอยู่ในอินเดียได้ตราบเท่าทุกวันนี้ส่วนคําสอนของพระพุทธศาสนาในสมัยใดถ้าผู้สอนมุ่งแต่จะรักษาข้อความในคาพีไว้ให้บริสุทธิ์โดยไม่รู้จักประยุกต์เอาออกมาให้เหมาะแก่ประชาชนในสมัยนั้นๆ การสอนศาสนาแบบนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้คนทั้งหลายเข้าไม่ถึงศาสนาเท่านั้นแต่ยังได้ทำให้ศาสนาค่อยๆหมดความหมายไปจากความเลื่อมใสของประชาชนอีกด้วยการรักษายาเอาไว้ไม่ให้เสียนั้นเป็นสิ่งประเสริฐแน่แต่ในเมื่อคนไข้ไม่หายเพราะหยิบยาให้เขากินไม่ถูกคนก็เท่ากับคนไข้ไม่มียานั่นเองหรือถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆ คนไข้ไม่ได้รับประทานยานั้นยังดีกว่ารับประทานยามานานแล้วแต่โรคไม่หายเพราะจะทำให้คนไข้เบื่อยาเบื่อหมอการสอนศาสนาทุกวันนี้มักจะเป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบสัจธรรม ที่สามารถจะทำให้คนเราพ้นจากความทุกข์ได้จริงๆแม้ในขณะที่ความทุกข์ทั้งหลายกําลังแวดล้อมเราอยู่ก็ตามและไม่ต้องรอให้ตายก่อนนี่คือจุดสำคัญที่ข้าพเจ้าต้องการจะพูดกับท่านผู้อ่านให้เข้าใจอันหนึง่งข้าพเจ้าได้กล่ามาแล้วว่าการปฏิบัติธรรมเหมือนกับการขึ้นบันไดซึ่งจะต้องมีการยึดและมีการปล่อยไปโดยลาดับ ตามกำลังของคนแต่ละคนและจะต้องไม่ลืมว่าเมื่อเราต้องการจะให้ใครเขาออกจากบ้านหลังเก่าเราต้องสามารถทำให้เขาแน่ใจว่าเขาจะได้บ้านหลังใหม่ที่ดีกว่าหลังเก่าและแน่ใจว่าเขาสามารถที่จะอยู่ได้ถ้าทำได้อย่างนี้เมื่อแนะนำให้เขาออกจากบ้านหลังเก่าเขาก็จะออกไปอย่างง่ายดายแต่ถ้าเขายังมองไม่เห็นว่า เขาจะได้บ้านหลังไหนที่ดีกว่าหลังเก่าหรือมองเห็นแต่เขารู้สึกว่าจะเข้าไปอยู่ไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็เป็นการแน่นอนว่าเขาจะไม่ยอมละทิ้งบ้านหลังเก่าเพราะเขาเคยอยู่มาจนเคยชินถึงแม้ว่ามันจะไม่ดีนักแต่มันก็ยังจะดีกว่าที่จะไม่มีบ้านอยู่เสเลยการสอนให้คนละความยึดถือไม่ว่าในเรื่องอะไรจะต้องถือหลักอันนี้ไว้เสมอ ทุกคนเป็นห่วงตัวเองกล่าวคือกลัวแก่กลัวตายกลัวจนกลัวลำบากและกลัวอื่นอืนอีกหลายอย่างความกลัวทั้งหลายเกิดขึ้นก็เพราะนึกถึงตัวเองยึดถือในตัวเองเข้าใจว่าตัวเองที่ยึดถือไว้นั้นคือตัวเองจริงๆซึ่งความเข้าใจที่ว่านี้คนส่วนมากไม่รู้ว่าเป็นความเข้าใจผิดที่ว่ามีรู้นี้คือไม่รู้จริงๆ ไม่มีวีแววแม้แต่เพียงนิดเดียวถ้าจะเปรียบว่าเขาอยู่ในที่มืดก็ต้องเปรียบว่าเขาเข้าไปอยู่ในถ้ำที่มืดที่สุดแม้แต่มือของตัวเองจะยกขึ้นมากใกล้ๆกับใบหน้าของตนแล้วก็ยังมองไม่เห็นมือเขาอยู่ในความมืดอันนั้นมานานตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายตายแล้วเกิดขึ้นมาอีกก็อยู่ในความมืดอันนั้นอีกคนเกือบจะทั้งโลกไม่ว่าจะมีการศึกษาสูงเพียงใดฉลาดเพียงใดก็ตาม ก็อยู่ในความมืดอันนี้สั ญ, ญลักษณ์ที่บอกให้เรารู้ว่าเขาอยู่ในความมืดก็คือความกลัวต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วท่านไม่เคยเห็นรู้ว่าเศรษฐีกลัวจนเสียิ่งกว่าคนจนกลัวความจนคนที่ฉลาดรู้มากเรียนมามากมีความมิตกกังวลยิ่งกว่าคนที่ไม่ค่อยรู้อะไรเหตุการณ์ในทำนองนี้เห็นได้ชัดมากในโลกยุคปัจจุบัน แล้วเราจะลายเห็นถึงปรากฏการณ์ที่น่าสังเวชอีกอย่างหนึง่งคือคนทุกวันนี้ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายกลัวแก่กันมากทั้งทั้งที่มันเป็นเหตุการณ์ที่รู้อยู่ว่าเอาชนะไม่ได้คนทุกวันนี้ไม่ค่อยจะกล้าบอกอายุของตนให้คนอื่นทราบถ้าหากว่าอายุของตนถึงวัยที่รู้สึกว่ากำลังจะแก่นอกจากคนที่คุ้นเคยกันเท่านั้นจึงจะบอกและการที่คนสมัยปัจจุบัน กังวลนนีนเรื่องการแต่งตัวกันมากก็ เ, เป็นผลสืบเนื่องมาจากกลัวแก่กลัวไม่สวยเพราะฉะนั้นจึงหาทางแก้ด้วยวิธีประดิษฐ์เครื่องแต่งตัวต่างๆตลอดถึงการใช้ยาบำรุงและใช้เครื่องสำอางเพื่อจะปกปิดความแก่หรือพรางตาคนอื่นให้เห็นว่าฉันยังไม่แก่หรือแก่แต่ก็ยังสวยอะไรทํานองนี้ปรากฏการดังที่กล่าวมานี้ เป็นเครื่องคุกคามสวัสดิภาพของคนในปัจจุบันไม่น้อยความปลอดภัยในด้านสุขภาพทางจิตมีน้อยเหลือเกินและด้วยเหตุนี้อีกเหมือนกันข้าพเจ้าจึงได้เขียนเรื่องนี้ออกมาเพื่อว่าคนที่ได้อ่านจะได้รู้จักแนวทางที่ถูกต้องในอ่านที่จะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ หมายเหตุผู้อ่านซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าในที่นี้ท่านหมายถึงความทุกข์จากความกลัวการแต่งตัวให้สวยการใช้เครื่องสำอางเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับเรื่องการกินนะครับซึ่งการกินนั้นก็มีอยู่สองประเภทพวกแรกคือกินใช้สมฐานะกินเพื่อประโยชน์ของร่างกายแต่อีกพวกคือกินใช้เกินฐานะ หรือกินเพื่อสนองตัญหาคือความอร่อยซึ่งทั้งสองอย่างนั้นกินเหมือนกันแต่มีผลทางใจต่างกันการใช้เครื่องสำอางการดูแลตัวเองนั้นหากเราต้องอยู่ในสังคมก็ยังเป็นความจำเป็นเหมือนกับการรีดผ้าหรือหวีผมนะครับทุกสิ่งจะมีโทษหรือไม่อยู่ที่เจตนาต้องยอมรับว่าผิวพรรณที่ผ่องใสดูดีนั้นมีผลต่ออาชีพหลายอย่าง ที่ทำให้ดูน่าเชื่อถือดูน่าเข้าหาและแม้แต่การไปสมัครงานก็มีงานวิจัยน้ครับว่าคนที่ผิวพรรณดีจะได้รับเลือกได้ง่ายกว่าคนที่ผิวพรรณดูไม่ดีหลายคนที่ศึกษาธรรมะแล้วก็สุดตรงปล่อยตัวเป็นใยเพิงหรือแต่งตัวทำตัวออกแนวสมถะสุดตรงซึ่งทำให้ดูแปลกแยกกับสังคมจนบางครั้งก็ดูเหมือนเข้ากับสังคมไม่ได้และดูเป็นคนเพียเพ้ยน ซึ่งหลายครั้งที่ทําให้คนทั่วไปมองแง่ลบและเข้าใจผิดเกี่ยวกับคนที่สนใจศาสนาและมีภาพจําแบบนั้นทําให้มองว่าศาสนาเป็นเรื่องน่าเบื่อปฏิบัติตามไม่ได้และขัดแย้งกับอาชีพหรือขัดกับวัยหนุ่มวัยสาวที่ยังต้องการให้ตัวเองดูสวยดูหล่อและดูทันสมัยซึ่งเรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิดนะครับเพราะในความจริงแล้วการปฏิบัติธรรมนั้นเราสามารถทําตัวปกติแต่งตัวทันสมัยดูแลตัวเองได้ เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจต้องไม่ยึดติดจนเกินไปและต้องรู้ด้วยว่าที่เราทำนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของชีวิตของแต่ละคนทุกเรื่องในชีวิตนะครับสำคัญที่เจตนาในเมื่อเรายัางเป็นคารวาสก็ทำตัวแบบคารวาสแต่งตัวดูแลตัวเองให้เหมาะสมกับกาลเทศะและสังคมที่เราอยู่อย่างการใช้เครื่องสาอางหรือการดูแลผิวพรรณนั้นก็ต้องยอมรับกันตามจริงนะครับว่า หลายอาชีพผิวหน้าสำคัญมากซึ่งในเรื่องนี้ก็ให้ดูตัวอย่างเปรียบเทียบขั้นสูงนะครับว่าพระอริยบุคคลเช่นพระโสดาบันนั้นก็ยังแต่งงานมีครอบครัวได้ยังเสพสุขในทางโลกได้เป็นปกติยังแต่งตัวสวยงามวิจิตรด้วยเครื่องประดับอย่างนางวิสาขานั้นเมื่อออกงานท่านก็แต่งตัวด้วยเครื่องประดับเป็นหลากหลายล้านซึ่งเป็นไปตามฐานะเป็นความพอเพียงของท่านคือสมฐานะ แล้วเราจะเห็นได้ว่าจิตใจของท่านนั้นไม่ได้ยึดติดหรือล่มลงไปกับเครื่องประดับนั้นดังนั้นผู้ประพฤติธรรมนอกจากเข้าใจธรรมแล้วก็ต้องเข้าใจโลกด้วยนะครับต้องใช้ชีวิตให้อยู่ในหลักธรรมและประพฤติตนให้สอดคล้องกับทางโลกด้วยและในความเป็นจริงแม้แต่พระที่อยู่ในทินที่มีอากาศหนาวทาให้เกิดอาการอักเสบที่ผิวผิวแห้งแตกคัน การทาครีมหรือน้ำมันเพื่อให้ผิวชุ่มชื้นนั้นตามหลักแล้วก็ไม่ผิดวินัยนะครับเราถือว่าเป็นการรักษาความอักเสบของผิวแต่ถ้าขณะที่ทานั้นจิตต้องการทาเพื่อบำรุงผิวให้ผิวดูสวยงามอันนั้นผิดแน่นอน ยิ่งนานวันอายุมากขึ้นข้าพเจ้าก็ยิ่งรู้สึกว่าพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของโลกข้าพเจ้ามองไม่เห็นเลยว่าจะมีที่พึ่งอันใดประเสริฐยิ่งกว่าพระรัตนตรยัยใครก็ตามถ้าไม่ได้อาศัยพระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระองค์และสาวกที่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะของพระองค์แล้วก็จะไม่มีทางพ้นไปจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงเลย ทางอื่นช่วยได้แต่เพียงให้พ้นจากความทุกข์ชั่วคราวเป็นการพ้นหลอกๆแต่แล้วก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการพ้นอันนั้นนั่นหละทำนองหนีเสือป่าเจระเคเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีความรู้สึกอย่างหนักแน่นที่สุดว่าใคไรก็ตามถ้าหากเขาจะรู้สึกตัวว่าทางเห็นความพ้นทุกข์ที่แน่นอนได้ผลอย่างแท้จริงมีอยู่ทางเดียวคือจะต้องพยายามยึด เอาพระรัตนไตรัยเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและพยายามที่จะศึกษาและปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งซึ่งสัจธรรมของพระพุทธองค์ยิ่งยิ่งขึ้นทางนี้เท่านั้นทางอื่นไม่มีที่จะช่วยเราได้จริงสำหรับคนที่รู้สึกอย่างนี้แน่นอนว่าสักวันหนึ่งเขาจะโผล่ออกมาจากเมฆหมอกแห่งความทุกข์ที่ปกคลุมเขามานานแล้วออกมายืนในที่โปรง ราศจากเมฆหมอกและเมื่อมองเข้าไปในกลุ่มหมอกที่หนาทึบก็จะเกิดความสงสารอยากจะไปดึงเอาคนเหล่านั้นออกมาจากหมอกและถ้าหากคนไหนถึงคราวที่เขาจะหมดเวรหมดกรรมเมื่อคนที่ออกมาจากหมอกได้แล้านั้นเข้าไปดึงเขาออกมาเขาก็จะออกมาแต่โดยดีแต่ถ้าเวรกรรมของเขายังไม่หมดเขาก็จะดื้อรั้นสมัครที่จะอยู่ในเมฆหมอกอันนั้นต่อไป จนกระทั่งคนที่ดึงจำเป็นต้องปล่อยเอาไว้ก่อนด้วยความสงสารเพราะยังทำอะไรไม่ได้การเข้าถึงสัจธรรมก็คือการรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงถ้าหากใครรู้จักตัวของตัวเองที่แท้จริงแล้วความเป็นห่วงหรือความหวาดกลัวต่างๆที่ครอบงำเขาอยู่เสมอนั้น มันก็จะค่อยๆละลายหายสูญไปเพราะตัวของตัวเองที่แท้จริงนั้นไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ยากจนและไม่ตายตัวของตัวเองที่แท้จริงนั้นเป็นอิสระและมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองทุกอย่างส า, ากลจักรวาลทั้งหมดก็คือบ้านของตัวเองซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเรานั้นสามารถที่จะท่องเที่ยวไปได้ทั่วและอยู่ที่ไหนก็ได้ เพราะส า, ากลจักรวาลทั้งหมดเกิดขึ้นมาจากตัวเราเองนี่คือความหมายย่อๆของชีวิตที่ทุกคนควรจะรู้จักก่อนที่ท่านจะไปถึงจุดหมายขั้นสูงสุดของชีวิตคือการบรรลุถึงนิพพานหรือโดยที่สุดควรจะต้องรู้จักเป็นอย่างดีก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นพระอริยะบุคคลในขั้นต้นคือเป็นพระโสดาบัน ข้าพเจ้ากล้าท้าทายหรือยืนยันได้ว่าถ้าหากยังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงในความหมายดังที่กล่าวมานี้แล้วท่านไม่มีทางที่จะละสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าเบญจขันธ์หรือขันห้าเป็นตัวเราหรือเป็นของของเราได้และท้ละสักกายทิฏฐิไม่ได้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นพระโสดาบันข้าพเจ้าได้บอกมาแล้วว่า แนวการสอนของข้าพเจ้าแปลกและใหม่จนกระทั่งบางคนอาจจะเห็นไปว่าข้าพเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเห็นว่าข้าพเจ้าไปเอาลักทิของศาสนาพราหมณ์มาสอนข้าพเจ้าไม่ปฏิเสธว่าที่กำลังพูดอยู่นี้คือหลักปรัชญาของพราหมณ์แต่ที่ข้าพเจ้าต้องเอามาสอนก็เพราะเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าเข้าใจจริงๆไม่ใช่เข้าใจตามตัวหนังสือ แล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์มากมายและที่ต้องเอามาสอนก็เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าคำสอนอันนี้คือบันไดขั้นหนึ่งที่จะต้องผ่านแต่ไม่ใช่บันไดขั้นสุดท้ายเราจะต้องเกาะหรือยึดที่บันไดขั้นนี้เอาไว้ก่อนจนกว่าเราจะแข็งแรงจริงๆซึ่งข้าพเจ้าหมายถึงเมื่อเรามีบา ร, รมีแก่กล้าแล้วเราก็จะทิ้งบันไดขั้นนี้ ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งคือขั้นของการเป็นพระอริยบุคคลข้าพระเจ้าใกล้ที่จะให้ข้อสังเกตเอาไว้ว่ามานพสิบหกคนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์พราามภาวรีลูกศิษย์ทั้งสิบคนนี้เป็นผู้ที่อาจารย์สั่งให้มาถามปัญหากับพระพุทธเจ้าและทั้งสิบหกคนนี้ล้วนแต่เป็นผู้รู้ที่เข้าใจอย่างดี ในปรัชญาของพราหมณ์ดังที่กล่าวมาเป็นบุคคลที่มีจิตใจสูงมากแล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อมาได้ฟังคาอธิบายจากพระพุทธองค์เพียงสั้นๆทุกคนเว้นท่านปิงกิยามานพคนเดียวที่ได้สำเร็จเพียงแค่โสดาบันนอกนั้นทุกท่านสำเร็จเป็นพระอระหันต์ท่านอาลาระดาบดและท่านอุตะกาดาบด ซึ่งเป็นผู้ที่รอบรู้ในปรัชญาดังที่กล่าวมาเป็นอย่างดียิ่งพระพุทธเจ้าก็ยังรู้สึกว่าถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่พระองค์ไปสอนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็จะได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์ตัวอย่างในท่านองนี้มีมากมายและอีกประการหนึ่งขอให้ท่านพิจารณาดูที่ตัวของท่านว่าการที่เราศึกษาเรื่องอนัตตา โดยไม่ยอมยึดถืออะไรเป็นอัตตาไว้ก่อนนั้นโดยข้อเท็จจริงแล้วเป็นไปได้หรือไม่วิสัยของคนที่ยังมีตัณหาอุปาทานอยู่ในสันดานนั้นเขาจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังถ้าเขาคิดว่าอะไรก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราและไม่ต้องหวังอะไรเลยนั้นคนที่จะทำได้ก็คือคนที่จวนจะเป็นพระอระหันต์แล้วเท่านั้นส่วนปุถุชนธรรมดาไม่มีใครทาได้ แต่ตรงกันข้ามคนที่รู้จักตัวตนที่แท้จริงดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเขาจะมีความสดชื่นและกล้าหาญมองเห็นความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายซึ่งถลงว่ามองเห็นความตายไม่มีความหมายแล้วทุกอย่างอื่นเช่นความจนหรือความลำบากต่างๆมันก็จะค่อยๆหมดความหมายไปด้วยข้าพเจ้าคิดว่า บางคนที่ไม่ยอมเข้ามาแต่ต้องกับคำสอนของศาสนาพราหมณ์นั้นเขาก็อาจจะเอาตัวรอดได้แต่ข้าพเจ้าคิดว่าคนที่จะรอดได้โดยวิธีนั้นมีจํานวนน้อยมากแต่ถ้าหากคนทั้งหลายจะไม่ใจร้อนพยายามเดินไปทีละขั้นถึงแม้จะช้าหน่อยแต่ก็ยังดีที่ค่อยๆก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคง มันเป็นการน่าประหลาดอยู่อย่างหนึ่งในวงการของพระพุทธศาสนาซึ่งถ้าหากเราจะดูกันให้รอบคอบแล้วพระพุทธศาสนาที่ดำรงสืบมาได้เท่าถึงทุกวันนี้มีเหตุอันหนึ่งที่ช่วยทำให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้คือการเอาวิธีของพระมาใช้ในวงการของพระพุทธศาสนาใช้กันมาจนเคยชินเช่นการสวดมนต์เย็นบทที่สวดเป็นของพระพุทธศาสนาก็จริง แต่วิธีการนั้นเป็นของพราหมณ์และอีกอย่างหนึ่งทุกวันนี้ถ้าหากเราจะเอาวิธีทางวิทยาศาสตร์ออกไปให้หมดไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็ไปไม่รอดเหมือนกันท่านลองกวาดสายตาดูภายในวัดทุกวัดและภายในบ้านของคนที่เกร่งทางพระพุทธศาสนาแล้วท่านจะพบว่าได้เอาวิธีทางวิทยาศาสตร์และผลงานทางวิทยาศาสตร์ เข้ามาใช้มากมายเพียงไรเพื่อช่วยให้การศึกษาและการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสะดวกขึ้นถ้าหากจะตัดเอาเรื่องทางวิทยาศาสตร์ออกไปให้หมดในฐานะที่เป็นของใหม่ไม่ได้มีมาตั้งแต่เดิมพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสอนเอาไว้ในคำภีรอะไรทำนองนี้ถ้าหากใครจะกล้าทําอย่างนี้จริงๆแล้วคนจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้น ถ้าพระเจ้าจึงไร้ขอเตือนไว้ในที่นี้ว่าชาวพุทธอย่าทำเป็นคนใจแคบอย่าเที่ยวตั้งข้อรังเกียจอะไรที่ไม่ใช่ของพระพุธทธศาสนาแล้วจะไม่นับถือเราควรจะลืมตาให้กว้างมองดูให้ทั่วอะไรที่เป็นความจริงแม้จะไม่สมบูรณ์แต่ถ้ามันมีประโยชน์และเป็นจริงตามขั้นของมันเราก็ควรจะเอามาใช้ และก็อย่าหน้าด้านที่ไม่กล้ายอมรับว่าอันนี้เป็นของใครได้มาจากที่ไหนคนที่ทำใจให้กว้างได้ก็คือคนที่มีการปล่อยวางไม่ยึดมั่นในเรื่องตัวตนได้ขั้นหนึ่งซึ่งขั้นนี้โลกปัจจุบันกำลังต้องการเพราะว่าโลกทุกวันนี้แคบเข้ามาทุกทีการติดต่อระหว่างคนต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมนับวันที่จะมีมากขึ้น ถ้าหากไปมัวจํากัดวงของตนแต่เพียงแคบๆแล้วคนที่จะได้รับก็คือตอนเองนั่นแหละจะไปไม่รอดข้าพเจ้าได้ใกล้ครวนและพิจารณามาอย่างรอบคอบแล้วถึงแนวการสอนนี้ว่าได้ผลแน่นอนและไม่ต้องกลัวว่าคนที่ถืออย่างนี้จะไปติดเรื่องอัตตาเขาจะไม่ติดถ้าหากวางพื้นในเรื่องนี้ให้พอ เมื่อถึงขั้นของมันก็จะมีการปล่อยวางเกิดขึ้นเองไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะไปติดตัวจนกระทั่งหลงผิดคนที่หลงผิดอย่างนี้ก็อาจจะมีเพราะว่าพื้นจิตใจไม่เหมือนกันแต่นั่นมันก็เหมือนกับชาวพุทธทั่วไปทั้งที่รู้อยู่ว่าการละกิเลสเป็นของดีการติดอยู่ในกิเลสเป็นการไม่ดีแต่ก็มีกี่คนที่ละกิเลสได้จริง ส่วนมากก็ยังคงติดอยู่ในกิเลสแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังดีที่ยังรู้สึกว่ากิเลสไม่ดีซึ่งวันหนึ่งเมื่อเขาได้คลุกคลีกับกิเลสมากๆได้รู้จักรสชาติของมันเป็นอย่างดีแล้วเขาก็จะเลิกไปเองในทำนองเดียวกันการที่จะสอนให้คนละความยึดถือในเรื่องตัวตนก็ควรจะต้องมีการสอนให้รู้ว่าอะไรคือตัวตนที่แท้จริง ซึ่งตรงกันข้ามกับตัวตนที่ยึดถืออยู่ก่อนซึ่งในเมื่อเขามองเห็นตัวตนอย่างใหม่ดีกว่าอันเก่าโดยประการทั้งปวงแล้วการละความยึดถือตัวตนอย่างเก่าก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาติดในตัวตนอย่างใหม่ซึ่งมันก็เป็นกิเลสแต่ในเมื่อเขาคุ้นเคยกับตัวตนอย่างใหม่แล้วเขาก็จะแสวงหาตัวตนที่ดีกว่านั้นไปโดยลําดับจนกว่าเขาจะบรรลุถึงนิพพาน การปฏิบัติธรรมเพื่อความสวัสดีของตนจะต้องเป็นไปโดยวิธีนี้คนทั่วไปจึงจะนำมาไปใช้ได้การศึกษาและการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยวิธีใดหรือจะเริ่มมาอย่างไรก็ตามท่านจะต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่า ตราบไดที่เรายังมองไม่เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของเราการศึกษาและการปฏิบัติจะไร้ผลคำว่าพระโสดาบันยอมละสักกายทิฐิได้ซึ่งหมายความว่าท่านมองเห็นแล้วว่าเบนจะขันไม่ใช่ตัวเราหรือของของเราคำพูดประโยคนี้คนส่วนมากจะเข้าใจเหมือนดังที่กล่าวมานี้แต่ไม่เข้าใจว่าทาไมท่านจึงมองเห็นอย่างนั้น ท่านได้มองเห็นอะไรจึงทำให้มองเห็นอย่างชัดเจนว่าเบนจะขันหรือขันห้าอันนี้หรือพูดอีกในยะหนึ่งคือร่างกายอันนี้ความรู้สึกนึกคิดอย่างที่เกิดอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราแน่ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาแล้วว่าถ้าไม่เห็นคนอ้วนเราก็พูดไม่ได้ว่าคนนี้พร้อม การที่พระโสดาบันรู้สึกเห็นอย่างชัดเจนว่าเบญจขันธ์ไม่ใช่ตัวเราหรือของของเรานั้นเป็นเพราะท่านได้มองเห็นตัวตนอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นตัวตนที่ไม่รู้จักตายท่านรู้สึกอย่างนั้นจริงๆและความรู้สึกที่ว่านี้ก็ไม่ใช่เป็นการหลอกตัวเองหรือเป็นการหลงผิดแต่ประการใดแต่เป็นความแน่ใจอย่างยิ่งที่สุดอย่างที่ในคำภีกล่าวว่า ท่านตัดวิจิกิจฉาสังโยชน์ได้โดยเด็ดขาดจุดนี้หละคือจุดสำคัญที่ข้าพเจ้าจะนำมาอธิบายเพราะเป็นสิ่งที่คนธรรมดาซึ่งยังไม่ใช่เป็นพระอริยบุคคลก็สามารถที่จะเข้าใจได้และนับจำเดิมตั้งแต่เข้าใจตัวตอนอันนี้แล้วความทุกข์ทางใจจะค่อยๆละลายหายสูญเราะจะมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังที่สดชื่นแน่นอนในอนาคตของตัวเอง แต่จะแตกต่างกับความรู้สึกของพระอริยบุคคลก็ตรงที่ความรู้สึกของท่านไม่กลับกลอกคงที่ตลอดเวลาทุกขณะจิตส่วนปุถุชนมีกลับกลอกเผลอตัวหรือลืมไปชั่วขณะหนึ่งว่าตัวเราที่แท้จริงไม่ใช่อันที่เรากำลังนึกถึงอยู่นี้หรือที่กำลังพูดถึงอยู่นี้ความลืมในลักษณะเช่นนี้มักจะมีบ่อยๆแต่ก็แก้ได้ไม่ยากนัก ถ้าหากเราจะพยายามนั่งสมาธิทุกทุ ก, ทกวันแล้วพิจารณานึกถึงตัวตนที่แท้จริงซึ่งในขณะที่กำลังเข้าสมาธินึกถึงตัวตนที่แท้จริงนั้นจะทำให้อารมณ์ค้างต่างๆที่เกิดจากการลืมตัวหมดไปและจิตใจของเราก็จะมีกำลังและสดชื่นขึ้นมาอีก วิธีรู้จักตัวเอง 1. ท่านจะต้องพยายามศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้เข้าใจอย่างลึกซึง้งและแน่ใจจริงๆว่าวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนอานน์ถ้าวิญญาณจะไม่ก้าวลงสู่ท้องของมารดานามรูปจะพึงเกิดในท้องของมารดาได้หรือพุทธพจน์ที่อ้างมานี้เป็นหลักสาคัญที่สุด ที่จะต้องทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งคนส่วนมากมักจะนึกแต่เพียงว่าเราเกิดมาจากพ่อแม่เกิดมาโดยวิธีไหนเราส่วนมากเข้าใจในเมื่อได้ศึกษาชีววิทยาแต่ข้าพเจ้าใคร่ขอเตือนไว้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากและเชื่อถือได้แต่ข้อสําคัญมีอยู่ว่า เราจะต้องกำหนดขอบเขตของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้อยู่ในวงของมันเราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นการบรรยายถึงความจริงแต่ละแง่หรือแต่ละขั้นไม่ใช่เป็นการบรรยายถึงความจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงยังมีความจริงอีกหลายอย่างที่ทางวิทยาศาสตรย์ยังไม่รู้ยังพิสูจน์ไม่ได้เช่นคนเราจะเกิดขึ้นมาได้จะต้องมีวิญญาณมาปฏิสนธิในไข่ที่ผสมเอาไว้แล้ว และคนเราทุกคนเมื่อตายแล้ววิญญาณยังอยู่เรื่องอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่ที่ข้าพเจ้าแม้ในต่างประเทศหลายประเทศก็ได้ทำการพิสูจน์เรื่องนี้ออกมาแล้วเหมือนกันเป็นแต่ยังไม่รู้กันอย่างกว้างขวางและนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีพื้นความรู้ทางนี้ยังไม่รับรองแต่สาหรับนักวิทยาศาสตร์ที่หันมาสนใจทางนี้โดยตรง ได้เขียนรับรองเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้ไว้มากมายเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าหลักข้อที่หนึ่งนี้จะต้องพยายามศึกษาให้เข้าใจเป็นอย่างดีซะก่อน 2. ท่านจะต้องศึกษาให้เข้าใจถึงเรื่องกรรมและวิบากจนกระทั่งเข้าใจซึงว่า ชีวิตหรือนามรูปอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดมาจากวิบากของกรรมถ้าวิบากไม่มีนามรูปอันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ส่วนพ่อแม่และธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ช่วยให้คนเราเกิดมาได้นั้นเป็นแต่เพียงส่วนประกอบของชีวิตเสมือนหนึ่งต้นไม้ย่อมเกิดมาจากมเมล็ดของมันถ้ามเมล็ดของมันไม่มีมันก็ไม่เกิดดินฟ้าอากาศ เป็นแต่เพียงส่วนประกอบที่ช่วยให้มันเกิดและช่วยให้มันดำรงชีวิตอยู่เราจะต้องพยายามมองให้เห็นว่าวิบากของกรรมเปรียบเหมือนเชื้อของมเมล็ดผลไม้หรือถ้าจะพูดอีกในยาหนึ่งเชื้อของมเมล็ดผลไม้ก็คือวิบากของต้นไม้ต้นไม้ยอมเกิดมาจากวิบากของมันถ้าวิบากของมันไม่มีมันก็ไม่เกิด ข้อนี้ฉันใดนามรูปหรือชีวิตของคนเราทั้งหมดเปรียบเหมือนต้นไม้ทั้งต้นยอมเกิดมาจากวิบากของกรรมซึ่งวิบากที่ว่านี้มีอยู่ในวิญญาณวิบากมีอยู่อย่างไรนามรูปจะเกิดขึ้นมาอย่างนั้นการศึกษาเรื่องวิญญาณกับการศึกษาถึงเรื่องกรรมและวิบากของกรรม จะต้องศึกษาคู่กันไปซึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนไว้แล้วในหนังสือคําบรรยายพุทธปรัชญาภาคหนึ่งและในหนังสือวิญญาณคืออะไรส่วนในหนังสือเรื่องความสวัสดีนี้มีความประสงค์ที่จะแนะแนวโดยสังเขปเพื่อให้ท่านรู้จักทางของท่านว่าเราควรจะทําอย่างไรจึงจะได้พบกับชีวิตที่สดชื่นเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังเป็นชีวิตที่ทําให้ท่านรู้สึกว่า ความแก่ความเจ็บและความตายไม่มีความหมายเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องของเราตัวเราแท้แท้ไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายตัวเราแท้แท้มีพืชแห่งสรรพันญอยู่อยู่ในตัวของเราแล้วซึ่งถ้าหากท่านเข้าใจตัวตนที่แท้จริงอันนี้และสามารถควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์ได้ก็สามารถที่จะเอาความรู้จากข้างในคือจากตัวเราที่แท้จริงนั้นออกมาใช้ได้เพราะฉะนั้น สำหรับท่านที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วยังรู้สึกว่าไม่ค่อยจะเข้าใจก็ต้องไปอ่านหนังสือที่ข้าพเจ้าอ้างมาแล้วอันหนึ่งข้าพเจ้าอดเป็นห่วงไม่ได้ในเมื่อข้าพเจ้าพูดว่าเรามีตัวตนที่แท้จริงซึ่งเป็นตัวตนที่ไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายนั้นโปรดอย่าเข้าใจผิดว่าข้าพเจ้าหมายถึงนิพพาน แต่ข้าพเจ้าหมายถึงวิญญาณที่ยังมีวิบากของกรรมวิญญาณที่ยังมีวิบากอยู่นั้นในเมื่อเรายังรู้สึกว่าตัวเรามีอยู่และยังอยากที่จะมีตัวตนยังอยากที่จะรู้อะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างสำหรับคนที่มีความรู้สึกอย่างนี้ก็จะพบตัวตนที่แท้จริงคือตัวตนที่ไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายเป็นตัวตนที่ยั่งยืนอยู่ตลอดกาลดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า ตันหาโปโนภวิกาแปล ว, ว่าตัญหาทำให้มีพบอีกซึ่งหมายความว่าตราบใดที่คนเรายังมีตันหาอยู่ในสันดานเราจะไม่สูญไปจากโลกเราจะมีตัวตนหรือมีนามรูปอยู่ตลอดกาลนานเราจะมีอายุยืนยิ่งกว่าอายุของโลกนี้หลายเท่าการที่ข้าพเจ้าพูดว่าเรามีตัวตนที่แท้จริงนั้น ข้าพเจ้าหมายถึงวิญญาณที่ยังมีวิบากวิญญาณอย่างนี้ในเมื่อนำมาเทียบกับร่างกายหรือนำมาเทียบกับอะไรก็ตามเราจะพบว่าวิญญาณไม่มีแก่ไม่มีตายเพราะสันตติของมันเป็นไปอย่างรวดเร็วมากและการที่จะมีความเจ็บหรือมีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นหรือไม่นั้นมันอยู่ที่ตัวของเราเองถ้าเราปรับปรุงวิญญาณให้สูงและประณีต เราก็จะพบว่าเราจะไม่มีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นเลยทั้งในทางร่างกายและจิตใจเช่นผู้ที่ได้ฌานขั้นสูงตายแล้วไปเกิดเป็นพรมหรือผู้ที่เป็นพระอนาคามีตายแล้วไปเกิดเป็นพรมขั้นสูงสุดท่านเหล่านี้ไม่มีความทุกข์ทั้งในทางร่างกายและจิตใจและมีอายุยืนมาก อันหนึ่งท่านผู้อ่านโปรดทราบไปด้วยว่าข้าพเจ้ารู้ดีว่าวิญญาณมีการเกิดดับและเกิดใหม่อยู่เสมอตัวตนที่แท้จริงของวิญญาณ น, นั้นไม่มีเพราะวิญญาณเป็นสังคตธรรมสิ่งที่เป็นสังคตธรรมย่อมเกิดจากเหตุและจะต้องดับเพราะความสิ้นแห่งเหตุวิบากของกรรมซึ่งมีอยู่ในวิญญาณก็ไม่ใช่สิ่งดั้งเดิมไม่ใช่เนื้อแท้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังเหมือนกับน้ำในทะเลรสเค็มไม่ใช่เนื้อแท้ของน้ำเพราะน้ำแท้ๆไม่เค็มวิบากก็เป็นสังกตาธรรมเป็นสิ่งที่ดับได้สูญสิ้นได้หมดไปได้เรื่องอย่างนี้ข้าพเจ้ารู้ดีแต่เพราะเหตุที่ว่าความรู้อันนี้เป็นความรู้ขั้นสูงคนทั่วไปเข้าไม่ถึง และมองไม่เห็นประโยชน์จากการศึกษาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจึงป่วยการที่จะนำเรื่องนี้มาสอนให้กับคนทั่ ว, วไปสอนให้เขาจำนั้นไม่ยากแต่ที่จะให้เข้าใจนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายคนที่จะเข้าถึงจริงๆมีเพียงไม่กี่คนด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้เปลี่ยนวิธีสอนเสียใหม่คือให้ยึดถือว่าตัวเราที่แท้จริงมีอยู่ แต่ไม่ใช่เบนจขันอันที่กำลังยึดถืออยู่นี้ซึ่งถ้าคนไหนเข้าถึงหรือมองเห็นตัวตนที่แท้จริงนั้นแล้วการละความยึดถือในเรื่องตัวตนขั้นหยาบๆจะทำได้ง่ายมากมันเหมือนกับเรากำลังขึ้นบันไดที่ชันถ้ามือของเราเกาะหรือยึดขั้นบนเอาไว้ให้แน่นที่สุดก็เป็นการง่ายที่จะดึงตัวให้พ้นไปจากบันไดขั้นต่าถ้าไม่เกาะบันไดขั้นบนเอาไว้แล้ว ก็ไม่มีทางจะขึ้นไปได้สำหรับคนที่มีนิสัยยังต่ำอยู่แต่ก็ไม่ต่ำจนเกินไปนั้นพระพุทธเจ้ายิงต้องทรงสอนให้คนเหล่านี้ยึดถือเรื่องสวรรค์ซึ่งเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงๆไม่ใช่เรื่องสมมุติในทํานองนิทานเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าจะทรงสอนให้คนประเภทนี้มองเห็นและเชื่อสนิทว่าสวรรค์มีจริง เชื่อว่าในสวรรค์มีความสุขยิ่งกว่ามนุษย์หลายเท่าในเมื่อเขาเ้าใจเรื่องสวรรค์แล้วเขาก็จะมองเห็นได้เองว่าเขาควรจะต้องมีนิสัยเสศรละมีความเมตตากรุณามีความยุติธรรมและมีความดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เช่นนั้นตายแล้วจะไปเกิดในสวรรค์ไม่ได้การสอนแบบนี้เป็นของจาเป็นสาหรับคนส่วนมากเพราะฉะนั้นท่านอย่าได้รังเกียจว่า การที่ข้าพเจ้าสอนให้มีการยึดถือตัวตนจะเป็นการสอนที่ผิดและอีกประการหนึ่งตัวตนที่ข้าพเจ้าหมายถึงนี้ก็มีอยู่จริงๆเหมือนกับที่เราพูดว่าโลกมนุษย์มีจริงร่างกายของเราก็มีอยู่จริงๆที่พูดว่ามีจริงในที่นี้เป็นการพูดในขั้นธรรมดาตามที่เข้าใจกันทั่ ว, วไปแต่ถ้าจะพูดในขั้นสูง คือในขั้นปรมัติ์ร่างกายก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเพราะร่างกายจะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและในที่สุดก็จะต้องตายเพราะฉะนั้นร่างกายจึงได้ชื่อว่าไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงจริง <c oughs> การศึกษาธรรมและการสอนธรรมะจะต้องระมัดระวังให้ดีเหมือนกับหมอที่ให้ยาแก่คนไข้ เมื่อคนไข้ยังเป็นเด็กก็ต้องให้ยาอย่างหนึ่งถ้าคนไข้นั้นเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องให้อีกอย่างหนึ่งหมอที่รอบครอบมีความรู้ดียอมรู้จักกาลเทสะในอันที่จะให้ยาแก่คนไข้นักสอนศาสนาก็เหมือนกันควรจะต้องรู้จักกาลเทศะในอันที่จะให้ธรรมะแก่คนอื่น สำหรับคำสอนเรื่องตัวตนที่แท้จริงในลักษณะ น, นี้นั้นก็ปรากฏคำสอนในนิกายเซนโดยเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกอย่างสุดของเวยหลังหรือหวงโปที่พูดถึงจิตเดิมแท้และต่อมาพระผู้รู้ของไทยอย่างน้อยสองท่านคือท่านพุทธทาสและหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยก็ยังได้นาแนวคิดแนวสอนแบบนี้มาใช้อธิบายธรรมให้กับหล่อสิทธ์เช่นกัน จะเห็นได้นะครับว่าท่านพุทธทาสเป็นพระที่เน้นสอนเรื่องปรมัติตคือความจริงขั้นสูงเน้นการเกิดดับในปัจจุบันส่วนหลวงปู่ดูนั้นเป็นสิทธิเอกหลวงปู่ม่านองค์หนึ่งเป็นพระกรรมฐานที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้รู้แจ้งและเด่นด้านการสอนเจริญสติดูจิตซึ่งทั้งสองท่านเป็นพระที่เน้นสอนหลักธรรมเพื่อความดับทุกข์แต่เพียงอย่างเดียวล้วนๆ น, นี่แสดงให้เห็นว่า ความเข้าใจเรื่องตัวตนที่แท้จริงหรือจิตเดิมแท้หรือที่เรียกว่าจิตคือพุทธะนั้นสําคัญมากพอสมควรและจะทําให้เข้าใจชีวิตในระดับรากฐานจนปล่อยวางตัวตนเบื้องต้นได้ง่ายมากซึ่งใครที่เห็นจริงตามนี้จะมองโลกต่างไปสังโยชนเบื้องต้นจะละได้ง่ายขึ้นมากจึงอยากให้ลองพิจารณาศึกษาจุดนี้ให้เข้าใจให้ได้ซึ่งจะเป็นรากฐานในการเข้าใจธรรมทั้งปวง ได้ถูกต้องตรงทางและเห็นแง่มุมที่ซ่อนอยู่ในคำสอนและหลักธรรมต่างๆนั้นได้ตรงทางมากขึ้นนะครับข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยวิธีใดหรือเริ่มมาอย่างไรก็ตามในที่สุดจะต้องศึกษาให้เข้าใจถึงตัวตนที่แท้จริง ซึ่งตัวตนที่กล่าวถึงนี้มาถึงวิญญาณที่มีวิบากเพราะโดยธรรมดาทุกคนก่อนที่จะก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลจะต้องมองให้เห็นเสียก่อนว่าตัวตนที่แท้จริงหรือวิญญาณที่มีวิบากนี้ในความหมายอันหนึ่งเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองทุกอย่าง เราจะต้องพยายามมองให้เห็นตัวตนอันนี้ก่อนจนกว่าเราจะสามารถยืนยันได้อย่างแน่ใจที่สุดว่าแม้เขาจะฝังฉันทั้งเป็นในหลุมที่ลึกที่สุดฉันก็ออกมาได้แม้ว่าเขาจะขังฉันไว้ในหีบเหล็กที่หนาตั้งหลายนิ้วไม่มีทางออกอากาศหายใจไม่มีฉันก็ออกมาได้หรือแม้ว่าเขาจะจับฉันโยนลงไปในกองไฟซึ่งไม่มีทางจะออกมาได้เลย ฉันก็ออกมาได้เมื่อร่างกายนี้จะแก่ก็แก่ไปเพราะตัวฉันจริงๆไม่ได้แก่เมื่อร่างกายนี้จะตายก็ตายไปเพราะตัวฉันจริงๆไม่ได้ตายเราต้องสามารถยืนยันถึงการมีตัวตนอันนี้ออกมาก่อนถ้ายัางยืนยันไม่ได้ก็อย่าไปหวังเลยว่าจะละความยึดถือที่มีอยู่เสมอนั้นได้ และอีกประการหนึ่งเราจะต้องรู้สึกอย่างหนักแน่นและอย่างแน่ใจที่สุดว่าร่างกายไม่ใช่ตัวฉันแต่ถ้าจะว่าเป็นของฉันก็ว่าได้แต่มันก็เป็นของฉันเพียงชั่วคราวร่างกายอันนี้ฉันได้สร้างมันขึ้นมาเองด้วยความสามารถของฉันและความสามารถที่ว่านี้ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อฉันต้องการมันเมื่อไรฉันก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได้เสมอ จะสร้างในรูปของมนุษย์ในรูปของกายเนื้อหรือจะสร้างในรูปของกายทิพย์ฉันก็สามารถสร้างได้และอีกอย่างหนึ่งจะต้องสามารถยืนยันได้อีกว่าบรรดาความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นการเห็นการได้ยินการรู้สึกกลิ่นการรู้สึกรส การรู้สึกสัมผัสทางกายต่างๆความสุขความทุกข์ความจำความรู้ความสามารถนิสัยใจคอต่างๆกิเลสต่างๆสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราเพราะตัวเราแท้ๆไม่จำเป็นจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ก็ได้สิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากตัวเราก็จริงแต่มันก็เหมือนกับคำพูดซึ่งเกิดมาจากใจในใจคิดอย่างไร ก็พูดออกอย่างนั้นแต่คำพูดเหล่านั้นไม่ใช่ใจและใจก็ไม่ใช่คำพูดคำพูดทั้งหลายเมื่อพูดออกมาแล้วก็หมดสิ้นไปแม้จะพูดออกมาอีกเหมือนกับที่พูดมาแล้วทุกอย่างแต่มันก็ไม่ใช่คำพูดอันเก่าข้อนี้ฉันใดบรรดาความรู้สึกเนื้อคิดทั้งหลายเกิดขึ้นมาจากตัวเราก็จริง แต่มันก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าจะถือว่าเป็นของเราก็เป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งมันไม่ใช่ของเราจริงๆเพราะความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับแม้จะเกิดขึ้นมาอีกมันก็ไม่ใช่อันเก่าและตราบใดที่เรายังอยู่เราจะนึกคิดอย่างไรจะให้รู้สึกอย่างไรเราทำได้เสมอ หรือจะไม่ให้มีความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นเลยเราก็ทาได้มันเหมือนกับว่าเรานึกจะพูดก็พูดได้หรือจะไม่พูดก็ทำได้ตัวเราจริงๆนั้นเป็นอิสระและมีอำนาจอยู่ในตัวทุกอย่างถ้าหากเราไม่หลงยึดถือเอาร่างกายซึ่งไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราและไม่หลงยึดถือความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายซึ่งไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเรา ถ้าม่หลงอย่างนี้แล้วเราก็เป็นอิสระที่จะมาหรือจะไปจะทาอะไรจะอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ตัวเราเองทั้งสิน้นคนที่มองเห็นตัวตนอันนี้และยืนยันดังที่กล่าวมานี้ได้จะเป็นบุคคลที่ฝึกสมาธิง่ายและในขณะใดถ้าจิตใจเกิดอ่อนแอเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความไม่สบายใจอย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่รู้จักตัวเองอย่างนั้นแล้วทุกครั้งที่เข้าสมาธิและทำใจให้สงบได้แล้วเมื่อพิจารณาให้เห็นว่าทั้งร่างกายและจิตใจที่กำลังเกิดอยู่นั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราทันทีที่รู้สึกอย่างนี้ความเบื่อหน่ายหรือความไม่สบายใจต่างๆที่กำลังครอบงมอยู่นั้นมันจะ ค, ค่อยค่อยหายไปทีเดียวพร้อมกับจะรู้สึกว่า ตนเองมีกำลังใจดีขึ้นไม่ท้อถอยต่อการงานและจะรู้สึกได้อีกอย่างหนึ่งว่าตนเองมีความคิดดีดเกิดขึ้นเสมอประโยชน์ของการศึกษาและการปฏิบัติตามหลักที่ข้าพเจ้ากล่าวมานี้มีมากมายแต่ข้าพเจ้าจะไม่บรรยายโดยละเอียดข้าพเจ้าจะปล่อยไว้ให้ท่านรู้เองเพราะว่าเรื่องนี้ มันก็เหมือนกับเมื่อข้าพเจ้าได้แนะนำให้ท่านได้รับประทานอาหารบางอย่างแล้วในเมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าท่านก็กำลังจะรับประทานอาหารนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องชี้แจงโดยละเอียดว่าอาหารนั้นอร่อยอย่างใดบ้างเพราะถึงจะพูดไปอย่างไรมันก็ไม่ดีไปกว่าที่ท่านจะรู้ได้ด้วยตัวของท่านเอง ข้าพเจ้าเพียงแต่แนะนําให้ท่านเกิดความสนใจที่จะรับประทานเท่านั้นก็น่าจะพอแล้วการยืนยันถึงการมีตัวตนที่แท้จริงดังที่กล่าวมาแล้วนี้ขอเรียบปรดจําไว้ว่าจะเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายๆสําหรับคนที่เข้าใจซึ่งในเรื่องวิญญาณเข้าใจซึ่งในเรื่องกรรมและวิบากของกรรมแต่ถ้าทั้งสองอย่างนี้มีความเข้าใจไม่พอ ก็ไม่มีทางที่จะยืนยันตัวตน น, นั้นออกมาได้บางคนอาจรู้สึกว่าเขายืนยันออกมาได้จริงแต่จะจริงหรือไม่จริงอย่างไรเรื่องนี้ท่านจะรู้ได้ด้วยตัวของท่านเองเพราะการยืนยันเช่นนั้นถ้าเป็นของแท้ในเวลานั่งสมาธิทุกครั้งเมื่อพิจารณาถึงตัวตนที่แท้จริงเราจะรู้สึกว่ามีกำลังใจดีขึ้น ความอ่อนเพลียจะหายไปความมิตกกังวลต่างๆหายไปจิตใจสดชื่นมีความหวังเกิดขึ้นทุกครั้งที่ทําสมาธิถ้าได้กําลังดังที่กล่าวมาก็แปลว่าท่านได้มองเห็นตัวตนที่แท้จริงท่านได้กล่าวยืนยันถึงตัวตนที่แท้จริงนั้นออกมาไม่ใช่เป็นการหลอกตัวเองเพราะคนที่ยังมองไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงเขาจะไม่ได้ผลดังที่กล่าวมานั้นเลย ทำอย่างไรจึงจะไม่เศร้าโศกถ้าผิดหวังในเรื่องความรักหรือของหายข้าพเจ้าเด็กล่าวมาแล้วว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้แม้ว่าเราจะยังเป็นปุถุชนอยู่และไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรหรืออยู่ในฐานะใดก็ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าศึกษาให้เข้าใจแล้วรู้จักนํามาใช้ ก็สามารถที่จะบำบัดความทุกข์ได้เสมอเช่นในกรณีที่ความรักไม่สมหวังหรือในกรณีที่ของรักหายอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ดีท่านควรจะจำไว้อย่างหนึ่งว่าเราจะมาศึกษาธรรมในตอนที่ความทุกข์เกิดแล้วนั้นแก้ไขา ย, ยากเพราะมันเข้าในทํานองปล่อยให้โรคเป็นมากเสีก่อนแล้วจึงคิดรักษาอย่างนี้เป็นการยากที่จะหายได้ คนที่ศึกษาธรรมภายหลังที่มีความทุกข์เกิดขึ้นหรือภายหลังที่มีความกดดันทางอารมณ์เกิดขึ้นอย่างมากมายนั้นโดยมากศึกษาได้ยากกว่าจะเห็นผลต้องใช้เวลานานและโดยมากก็มักจะต้องจมอยู่ในความทุกข์ไปจนความมันจะหมดฤทธิ์ของมันเองภาวะอย่างนี้เรียกว่าการตกนรกในโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นท่านจะต้องจาไว้อย่างหนึ่งว่าเมื่อเรายัางเป็นปกติอยู่ กำลังสุขสบายให้รีบศึกษาธรรมะเพราะวันหนึ่งความทุกข์ต่างๆมันจะต้องเกิดขึ้นแน่ไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนมั่งมีคนโง่หรือคนฉลาดความทุกข์ที่เนื่องมาจากการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังทุกเหล่านี้จะต้องมีแน่และนอกจากนี้ทุกที่เกิดจากความเจ็บป่วยความแก่ความยากจน ยังจะมีอีกซึ่งทุกข์เหล่านี้เกิดบ่อยๆก็ทำให้เกิดความกดดันในทางอารมณ์ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติในทางธรรมอย่างยิ่งธรรมะที่เป็นเสมือนหนึ่งยาที่จะใช้แก้โรคได้ทุกชนิดเป็นยาที่จะต้องใช้ในทุกกรณีใช้กับโรคทางใจได้ทุกอย่างนั้นมีอยู่อย่างเดียวคือความสามารถในการยืนยันออกมาได้ว่า ร่างกายก็ดีความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายก็ดีทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราเราสร้างมันขึ้นมาก็จริงมันเกิดมาจากตัวเราก็จริงแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าจะพูดว่าเป็นของของเราก็เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นโดยธรรมดาผู้ที่จะยืนยันอย่างนี้ออกมาได้นั้นเขาจะต้องมองเห็นตัวตนอีกอันหนึ่ง ซึ่งในเมื่อเปรียบเทียบกับร่างกายเปรียบเทียบกับความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆในโลกนี้แล้วก็สามารถที่จะยืนยันได้ทีเดียวว่าตัวตนที่พบใหม่นี้คือตัวเราที่แท้จริงซึ่งเป็นตัวตนที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองทุกอย่างมีพืชแห่งสรรพัยูอยู่ในตัวของเราเองอยู่แล้วและตัวตนที่ว่านี้ ก็คือวิญญาณที่มีวิบากมีกิเลสหรือถ้าจะพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือวิบากของกรรมล้วนๆอันหนึง่งการที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าวิญญาณที่มีวิบากมีกิเลสเป็นตัวตนที่ไม่แก่และไม่เจ็บก็เพราะความแก่และความเจ็บนั้นเป็นเรื่องของร่างกายเท่านั้นและเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ ในเมื่อปรับปรุงวิญญาณให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นด้วยอำนาจของฌานและวิปัสนาซึ่งผู้ที่ปรับปรุงได้ถึงขั้นสูงก็จะไม่พบกับความแก่และความเจ็บป่วยผู้ที่ซึ้งในเรื่องของวิญญาณจริงๆจะมองเห็นว่าวิญญาณสามารถที่จะทำให้สดชื่นอยู่เสมอตลอดชั่วกันก็ได้และถ้าวิญญาณอยู่ในสภาพที่สดชื่นเช่นนี้แล้ว ร่างกายที่เกิดจากวิญญาณที่มีวิบากเช่นนี้ก็จะไม่พบกับความแก่และความเจ็บป่วยนับเป็นกันกันชีวิตอย่างนี้มีได้แต่ชีวิตอย่างนี้จะมีไม่ได้ในสภาพของมนุษย์หนึ่งกันหรือหนึ่งกับคืออายุของโลกนับตั้งแต่โลกเกิดจนกระทั่งโลกพินาศ ในทางพระพุทธศาสนากล่าวว่าผู้ที่ได้ฌานหรือผู้ที่เป็นพระอนาคามีเมื่อตายแล้วจะไปเกิดเป็นโอปปาติกะอยู่ในพรหมโลกมีอายุยืนนับเป็นกันกันผู้ที่มองเห็นความจริงอย่างนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นการเห็นตามตัวหนังสือแต่เห็นจากความรู้สึกภายในนั้นทุกคนจะยืนยันความจริงข้อนี้ออกมาได้ ข้าพเจ้าเคยกล่าวมาแล้วหลายครั้งว่าความรู้ที่มาจากข้างนอกเป็นความรู้ที่ไม่สมบูรณ์เพราะเป็นความรู้ที่ได้มาจากการเห็นการได้ยินเกิดมาจากประสาทสัมผัส ต, ต่างๆซึ่งประสาทเหล่านี้เป็นของจำกัดเช่นเห็นอะไรได้บางอย่างได้ยินอะไรได้บางอย่างจําอะไรได้บางอย่างและที่ลืมเสียก็ามากเพราะฉะนั้นจึงเป็นความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ ส่วนความรู้ที่มาจากข้างในซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดมาจากฌานและวิปัสสนานั้นเป็นความรู้ที่สมบูรณ์กว่ากว้างขวางกว่าลึกซึ้งกว่าและโดยปกติในวิญญาณก็มีพืชแห่งสัพพัญญูอยู่แล้วข้อพิสูจน์ก็คือความสามารถในการสร้างร่างกายนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถถ่ายทอดเอาความรู้จากข้างในออกมาได้ จึงมีความรู้ในสิ่งต่างๆลึกซึ้งกว่าคนธรรมดามากมายแต่ความรู้จากภายนอกก็สำคัญอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเพราะถ้าไม่มีความรู้จากภายนอกเข้าไปก็ไม่สามารถที่จะเอาความรู้จากข้างในออกมาได้ถ้ายิ่งมีความรู้จากภายนอกกว้างขวางก็สามารถถ่ายทอดเอาความรู้จากข้างในออกมาได้มาก ข้อสำคัญอย่ายึดถือความรู้ที่มาจากภายนอกจนเกินไปเพราะจะทำให้เข้าใจผิดได้ง่ายมากตัวอย่างเช่นนักวิทยาศาสต์ผู้เชี่ยวชาญในวิชาของตัวแต่ขาดความรู้ในเรื่องวิญญาณอย่างเพียงพอนั้นส่วนมากเข้าใจว่าคนเราตายแล้วก็ศูนย์เพราะเข้าใจว่าความรู้สึกนึกคิดเกิดมาจากสมองอย่างนี้เป็นต้น หนึงในขณะที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่ยังไม่ได้ไปเกิดในโภมโลกแม้จะไม่ได้ตาทิพย์แม้จะระลึกชาติไม่ได้ก็ตามแต่ถ้าได้ศึกษา เ, าเรื่องวิญญาณให้ถูกวิธีและมีความสามารถเข้าสมาธิได้บ้างก็สามารถมองเห็นได้เองว่าสภาพของร่างกายย่อมเกิดมาจากสภาพของวิญ ญ, ญ, ญาณธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ช่วยให้ชีวิตเกิดช่วยให้ชีวิตดำรงอยู่นั้น เป็นแต่เพียงส่วนประกอบไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้เกิดชีวิตไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่กำหนดธรรมชาติของชีวิตออกมาผู้ที่หมั่นเข้าสมาธิและเจริญวิปัสสนาเสมอจะสามารถมองเห็นได้ทีเดียวว่าจิตของคนเรามีทางที่จะปรับปรุงให้มีกําลังใจอยู่เสมอและให้สดชื่นอยู่เสมอได้ไม่ว่าเราจะเป็นอะไรคือจะยากจนเจ็บป่วย มีความวิบัติพลัดพรากหรือมีทุกข์อะไรก็ตามถ้ารู้จักแก้ไขข้างในปรับปรุงข้างในให้ดีแล้วจิตใจก็จะมีความเข้มแข็งมีความสดชื่นมีความมั่นคงมองเห็นอนาคตที่รุง่งโรจนกระทั่งในที่สุดจะรู้สึกว่าตัวของตัวเองมีทางที่จะพ้นทุกทุกทุกอย่างได้และในเมื่อต้องการที่จะมีชีวิตที่ไม่แก่ที่ไม่เจ็บและไม่ตาย ก็มีทางที่จะได้สมความปรารถนาเพราะว่าโดยปกติคนที่ยังมีความอยากมีความยึดถือในเรื่องตัวตนเหลืออยู่แม้เพียงเล็กน้อย <se ed> เขาก็จะต้องมีตัวตนตลอดไปชั่วกาลปรวสาสรเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าตัวตนที่พบใหม่นี้เป็นตัวตนที่ไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตาย อันหนึ่งที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าตัวตนที่พบใหม่นี้เป็นตัวตนที่ไม่ตายก็เพราะเหตุว่าวิญญาณมีการเกิดดับรวดเร็วมากเหมือนกับการเกิดดับของกระแสไฟฟ้าภายในหลอดไฟฟ้าโดยธรรมดาตาของมนุษย์ทั้งหลายจะมองเห็นแต่ความสว่างหรือความลุกโผลงของกระแสไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาเรามองเห็นแต่ความเกิดส่วนความดับซึ่งเป็นไปอย่างทียิบนั้นเรามองไม่เห็น ใพยายามมองอย่างไรก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราจึงพูดว่ามันสว่างอยู่ตลอดเวลาไม่มีการดับในท่านองเดียวกันในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่วิญญาณก็มีการเกิดดับสืบต่ออยู่ตลอดเวลาและในเวลาตายวิญญาณจุติแล้วก็ปฏิสนธิทันทีระยะเวลาระหว่างจุติกับปฏิสนธิ ห่างกันชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะพูดว่าเราไม่มีการตายก็ได้ตราบใดที่กิเลสยังมีอยู่ตราบใดที่เรายังอยากมีชีวิตยังยึดถือตัวตนอยู่วิบากของกรรมที่สร้างเอาไว้จะทำหน้าที่สร้างชีวิตทำให้เกิดชีวิตอยู่ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า ตัวเราที่แท้จริงไม่มีการตายอันหนึ่งโปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าข้าพเจ้ารู้ดีว่าวิญญาณมีการเกิดดับและเกิดใหม่อยู่เสมอซึ่งอันที่ดับก็เป็นอันดับไปอันที่เกิดใหม่ม่ใช่อันเก่าตัวตนที่แท้จริงของวิญญาณไม่มีวิญญาณเป็นอนัตตา และอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าก็รู้ดีว่าคนเราจะมีความรู้แจ้งในเรื่องของชีวิตตามความเป็นจริงทุกแง่ทุกมุมไม่มีความเข้าใจผิดอันใดแทรกอยู่เลยจะพ้นทุกได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเกิดความรู้สึกอย่างจริงใจว่าต่อแต่นี้ไปไม่ต้องการจะมีตัวตนอันไหนอีกแล้วไม่ว่าจะดีวิเศษอย่างไรก็ไม่พึงปรารถนาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าหากตัณหาอุปาทานยังมีอยู่แล้วจะรู้อะไรจริงๆแล้วความรู้ที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เกิดจากการศึกษาเอาความรู้จากภายนอกเข้าไปความรู้ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อไม่อยากรู้อะไรไม่อยากเป็นอะไรและไม่ยึดถืออะไรทั้งสิน้นซึ่งหมายความว่าแม้แต่ในหลักวิชาต่างๆที่เรียนมาแล้วเป็นอย่างดี ได้ผ่านการทดสอบมาเป็นอย่างดีแล้วว่าถูกต้องและใช้ได้แม้ความรู้อย่างนี้ก็ต้องวางไม่ต้องเก็บเอามาใส่ใจความรู้ที่แท้จริงนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสามารถหยุดความคิดได้ทุกอย่างและจะต้องไม่ให้อารมณ์ใดๆผ่านเข้ามารวมทั้งปีติและสุขในใจก็จะต้องไม่มีด้วยจิตใจก็จะต้องวางเฉย ไม่ยินดีไม่ยินร้ายในสิ่งทั้งปวงไม่เกาะเกี่ยวไม่ติดอยู่ในสิ่งใดๆและที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องอยู่ในภาวะของสมาธิที่ลึกจนกระทั่งไม่รู้สึกว่าตนมีร่างกายซึ่งในขณะนั้นในใจมีแต่ความรู้สึกเฉยเฉยและมีสติสัมปชัญญะกำกับอยู่ทุกขณะจิตผู้ที่สามารถเข้าสมาธิเดียลึกถึงขนาดนี้ และมีความเข้าใจเรื่องชีวิตต่างๆโดยเฉพาะคือเข้าใจเรื่องวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเข้าใจเรื่องกรรมและวิบากของกรรมลึกซึ้งถี่ถ้วนถ้าทำได้ถึงขนาดนี้ก็อยู่ในฐานะที่จะถ่ายทอดเอาความรู้จากข้างในออกมาใช้ได้ความรู้แจ้งต่างๆตามความเป็นจริงจะเริ่มต้นได้ก็จากจุดนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้น คนที่มัวหลงแต่ในทางที่จะสแสวงหาความจริงโดยอาศัยประสาทสัมผัสนั้นไม่มีทางที่จะรู้แจ้งแม้กระทั่งเรื่องของตัวเองมาเหตุผู้อ่านในเรื่องของการไม่อยากเกิดไม่อยากเป็นอะไรนั้นต้องพึงระมัดระวังนะครับว่า บางครั้งอา จ, จไม่ได้เกิดเพราะปัญญายานที่รู้แจ้งเห็นจริงเช่นพวกที่อยากฆ่าตัวตายนั้นเขาไม่ใช่ไม่อยากมีตัวตนไม่ใช่ว่าจะไม่อยากเกิดแต่เพราะว่าเป็นพวกที่มีตัณหาอุปาทานเหนียวแน่นเป็นเพียงความอยากได้สุขและไม่สมหวังหรือมองไม่เห็นทางเลยว่าในชีวิตนั้นตัวเองจะได้สิ่งที่ต้องการนั้นอย่างไรคนที่ไม่เข้าใจธรรมจริงจนละอนอุปาทานและตัณหาได้นั้น เชื่อเลยนะครับว่าถ้าหากเวลาที่คิดว่าตัวเองไม่อยากเกิดแล้วนั้นกลับได้ร่างกายเป็นหนุ่มสาวได้ลาบยศชื่อเสียงและทุกอย่างสมปรารถนาได้อย่างใจครบทุกอย่างรับรองได้ว่าไม่มีใครอยากตายหรือไม่อยากเป็นไม่อยากเกิดอีกต้นหาพื้นฐานของมนุษย์นั้นคือความรักสุขอยากได้สุขหลายคนที่ฆ่าตัวตายนั้น ก็เพียงเพราะคิดว่าจะได้หนีความทุกข์ที่กำลังประสบอยู่เมื่อตายแล้วก็จะได้สิ้นทุกข์และหายวับไปสุดท้ายแล้วใจของเขาเหล่านั้นก็เพียงเพื่อต้องการความสุขซึ่งเป็นตัณหาอย่างหนึ่งและจิตที่ต้องการความสุขนั้นก็เป็นไปตามหลักปฏิจจสมุปบาทคือการต้องการได้รับความสุขเป็นตัณหาที่ส่งทอดให้เกิดสิ่งต่างๆเป็นลูกโซ่ จนเกิดเป็นภพคือภาวะหนึ่งหรือชีวิตรูปแบบหนึ่งเพื่อจะได้รับสุขอย่างที่ตัวเองต้องการตราบใดที่ยังไม่สามารถจัดการตัณหาคือความอยากได้สุขออกไปได้จริงก็ต้องเกิดใหม่ไม่รู้จบแต่จะเกิดเป็นอะไรในภพไหนนั้นก็อยู่ที่บุญที่สะสมไว้และความปราณีตของจิตไม่ใช่ว่าแค่ไม่อยากเกิดก็จะไม่เกิดซึ่งในความเป็นจริงนั้นความอยากและความไม่อยากก็เป็นตัณหาอย่างหนึ่ง ที่นำมาเกิดอีกเช่นกันนะครับจะตัดวงจอนี้ได้ก็ต่อเมื่อจิตเป็นอุเบกขากับทุกสรรพสิ่งจริงๆซึ่งมีคำจำกัดความที่เรียกอุเบกขาชนิดนี้ว่าฉลังกุเบกขาเป็นอุเบกขาของพระอาหารหันต์คือการวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายในอารมณ์ทั้งหอันได้แก่เมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้รสกายถูกต้องสัมผัส และการรับรู้อารมณ์ทางใจสิ่งที่ใจนึกคิดการตัดความอยากและไม่อยากออกจากใจได้ทั้งหมดและมีอุเบกขาวางเฉยต่ออารมณ์ทั้งหกนี้ได้เท่านั้นถึงจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนะครับการที่ข้าพเจ้าสอนในแนวใหม่ว่าตัวเราที่แท้จริงไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายนั้น ไม่ใช่เป็นการสอนที่ผิดจากคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ตรงกันข้ามกลับจะเป็นการสอนที่ทาให้คนในยุคปัจจุบันเข้าถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าง่ายขึ้นและจะทำให้เขาค่อยๆก้าวขึ้นไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเขาจะไปติดตัวตนเพราะเมื่อพูดถึงข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติแล้วตัวตนที่ว่าไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ตามพื้นผูมธรรมของแต่ละบุคคลหมายความว่าเมื่อจิตใจของเขายังต่ำอยู่เขาก็จะไปยึดถือตัวตนที่เขามองเห็นในขณนะนั้นซึ่งไม่ใช่ร่างกายอันนี้และไม่ใช่จิตใจอันที่เขายึดถือเอาไว้ก่อนนั้นแต่เป็นตัวตนอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นตัวตนที่ให้กําเนิดร่างกายและให้กาเนิดความรู้สึกนึกคิดต่างๆตัวตนที่ว่านี้ เขาจะมองเห็นว่ามันไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายเพราะที่พูดว่าเราแก่เราเจ็บและเราตายนั้นเป็นการพูดถึงร่างกายอันนี้ไม่ใช่ตัวตนนั้นนั้นอันหนึ่งผู้ที่เริ่มเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ยังมีระดับแตกต่างกันออกไปอีกมากกล่าวคือสำหรับผู้ที่ปฏิบัติก้าวหน้าไปโดยลาดับสติปัญญาลึกซึ้งขึ้น เขาก็จะมองเห็นว่าตัวตนที่เขาเคยรู้สึกว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงนั้นความจริงยังไม่ใช่ต้องเป็นอันนี้คืออันที่เขาเริ่มจะเข้าใจอยู่นี้รันแล้วเขาก็ทิ้งตัวตนอันเก่ากลับมายึดถือตัวตนอันใหม่และทุกครั้งที่พบตัวตนอันใหม่เขาก็จะบอกว่าอันนี้ละ่ะคือตัวตนอันที่แท้จริงของเขาแต่แล้วต่อไปในเมื่อจิตใจเขาสูงขึ้น เขาก็จะพบอีกว่าอันนี้ไม่ใช่ต้องอันนี้ต่างหากด้วยวิธีอย่างนี้ น, น, นานๆเข้าเขาก็จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและเกิดความเบื่อที่จะมีตัวตนและในที่สุดก็จะมาถึงจุดเริ่มต้นของความเป็นอริยบุคคลคือเริ่มรู้สึกว่าความเกิดเป็นความทุกข์การไม่เกิดเป็นความพ้นทุกข์เมื่อความรู้สึกก้าวมาถึงจุดนี้แล้ว ในตอนนี้เท่านั้นที่ความเข้าใจในเรื่องของชีวิตตามความเป็นจริงจะค่อยๆเริ่มคลี่คลายออกไปสู่ความสมบูรณ์และขอเดียบเรดจํจำไว้ด้วยว่าคนที่มีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นก็ไม่ใช่หมายความว่าเขาจะไม่เกิดอีกบางคนยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนานทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับบารมีของแต่ละบุคคลแต่จะอย่างไรก็ตาม ขอเรียบรดเข้าใจว่าถ้าคนไหนคิดจะไม่เกิดอีกต่อไปก็เป็นเรื่องของความสมัครใจของเขาเองและที่เขาสมัครใจเช่นนั้นก็เพราะเขาได้มองเห็นอะไรอีกอันหนึ่งซึ่งไม่อาจที่จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้และสิ่งสิ่งนั้นจะเรียกว่าตัวตนที่แท้จริงหรือจะเรียกว่าอะไรก็ได้หรือจะไม่เรียกว่าเป็นอะไรเลยก็ได้เพราะถ้อยคาที่พูดกันนั้น เป็นเพียงสิ่งสมมุติซึ่งคนที่ยังเข้าไม่ถึงไม่มีทางที่จะเข้าใจได้อย่างถูกต้องการยืนยันว่าเรามีตัวตนที่แท้จริงอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นตัวตนที่สมบูรณ์เป็นตัวตนที่ไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากที่จะต้องให้คนเราค่อยๆเกาะไต่ขึ้นไปจนกว่าจะถึงความสมบูรณ์อันแท้จริงของชีวิต แม้ว่าการยึดถือแบบนี้อาจจะทำให้รู้สึกว่าเป็นการยึดถือที่ผิดก็ตามก็ควรจะให้ยึดถือแบบนี้ไปก่อนขอให้นึกถึงข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติเช่นธรรมดาคนที่สนใจทำย่อมรู้ว่าร่างกายอันนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราทั้งที่รู้กันอยู่อย่างนี้ก็ยังอดยึดถือตัวตนกันไม่ได้ ทั้งนี้ก็เพราะการยึดถือร่างกายว่าเป็นตัวเราหรือของของเรานั้นติดสันดานมานานมากและอีกประการหนึ่งที่ละได้ยากก็เพราะการยึดถือตัวตนเป็นสิ่งที่จําเป็นในสังคมเป็นสิ่งจําเป็นในทางส่วนตัวและมีประโยชน์หลายอย่างเป็นแต่ว่าถ้าหากคนไหนจิตใจยังต่ําอยู่การยึดถือก็เป็นไปอย่างต่ํา แต่ถ้าจิตใจประณีสูงขึ้นการยึดถือตัวตนก็ค่อยประณีตขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่สนใจแต่เรื่องอภิธรรมชอบพูดแต่เรื่องปรามัดควรจะมองในแง่นี้ดูบ้างการศึกษาที่มุ่งแต่จะหาความรู้อย่างเดียวโดยไม่นึกผลในทางปฏิบัติว่าจะได้อะไรออกมาบ้างนั้นเป็นการศึกษาที่ทำให้เสียเวลา คนที่ผิดหวังในเรื่องความรักหรือในเรื่องของหายและเกิดความเศร้าโศกนั้นเป็นเพราะหลงในความคิดของตนเข้าใจและเชื่อสนิทว่าความคิดที่กําลังเกิดอยู่นั้นเป็นของของตนจริงๆแต่สำหรับผู้ที่เคยรู้สึกมาบ้างแล้วแม้จะเลือนลางว่าความคิดทั้งหลายแม้จะดับหมดไม่มีเหลือและไม่เกิดมาอีกตัวเราก็ยังอยู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความคิดเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราจริงๆความคิดทั้งหลายเกิดมาจากวิบากของมันถ้าวิบากของมันไม่มีความคิดเหล่านี้ก็ไม่เกิดและวิบากนั้นก็ไม่ใช่ของดั้งเดิมไม่ใช่เนื้อแท้ของตัวเราเพราะวิบากทุกอย่างเกิดจากกรรมถ้าไม่ทำกรรมวิบากก็ไม่เกิดเช่นคนติดเหล้า ก็มีวิบากของการดื่มเกิดขึ้นก็เพราะไปหัดดื่นเข้าถ้าไม่หัดวิบากก็ไม่เกิดและเมื่อวิบากเกิดขึ้นแล้วก็อดนึกคิดเกี่ยวกับเรื่องเล่าไม่ได้พอถึงเวลาความคิดเกี่ยวกับเรื่องเล่าก็จะต้องเกิดขึ้นจะปัดออกไปไม่ได้จงสังเกตว่าทางวิบากเลือกความคิด ที่เกิดจากวิบากเนเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ของดั้งเดิมไม่ใช่เนื้อแท้ของตัวเราสิ่งเหล่านี้แม้จะไม่มีตัวเราก็ยังอยู่และอยู่อย่างสบายด้วยสำหรับผู้ที่รู้สึกได้อย่างนี้ในเวลาเกิดความเศร้าโศกความเศร้าโศกก็จะบรรเทาลงและถ้าหากเคยรู้สึกอย่างแจ่มแจ้งมาแล้วว่าความคิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับใบไม้ซึ่งวันหนึ่งจะต้องร่วง แม้จะเกิดมาอีกสักกี่ใบก็เหมือนกันเราบอกไม่ได้ว่าใบาไหนคือใบที่แท้จริงของมันเพราะทุกใบจะต้องร่วงทั้งนั้นผู้ที่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนจนกระทั่งแยกออกได้ว่าอะไรคือวิบากอะไรคือสิ่งที่เกิดจากวิบากและอะไรคือสิ่งที่เหลืออยู่ซึ่งถ้าหากเคยเข้าสมาธิได้และได้พบกับตัวตนที่สดชื่น ตัวตนที่แท้จริงซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีความนึกคิดก็ได้สำหรับผู้ที่เคยรู้สึกอย่างนี้มาแล้วในขณะอยู่ในสมาธินั้นความทุกทุกอย่างไม่เฉพาะแต่ความทุกข์ที่เนื่องมาจากความผิดหวังเท่านั้นแม้ทุกอย่างอื่นก็จะบรรเทาลงอย่างรวดเร็วและถ้าหากมันเข้าสมาธิทุกวันและทุกครั้งที่เข้าสมาธิก็รู้สึกถึงตัวตนที่สดชื่นตัวตนที่ไม่มีความนึกคิดอันนั้น ถ้าทำได้อย่างนี้ความต้านทานต่อความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นซึ่งอันที่จริงความต้านทานนั้นก็เป็นวิบากอย่างหนึ่งคือเป็นวิบากของสมาธิและวิปัสสนาวิบากอันนี้มือสะสมมากขึ้นแล้วสามารถที่จะต้านทานต่อความทุกข์ได้ทุกอย่างซึ่งหมายความว่าไม่ว่าความทุกข์จะมาในรูปไหน ก็สามารถจะป้องกันมิให้ความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นได้เลยหรือถ้าเกิดก็ไม่รุนแรงระ ง, งับได้ง่าย <_ ê> ข้าพเจ้าที่เคยกล่าวมาแล้วว่าตัวยาที่สามารถจะระ ง, งับความทุกข์ได้ทุกอย่างมีอยู่อย่างเดียวคือความสามารถในการยืนยันออกมาได้ว่าแม้ร่างกายนี้จะตายแล้วแต่ตัวเราก็ยังอยู่ แม้ว่าความรู้สึกเนื้อคิดทั้งหลายจะดับหมดไม่มีเหลือแต่ตัวเราก็ยังอยู่การยืนยันในลักษณะเช่นนี้ก็คือการมองเห็นอนัตตาในขั้นพื้นพื้นซึ่งยังไม่ใช่ขั้นสูงสุดผู้ที่มองเห็นอนัตตาอย่างนี้ก็คือคนที่เข้าใจถึงเรื่องวิญญาณสร้างชีวิตเข้าใจถึงเรื่องกฎของกรรมและวิบากของกรรมลึกซึง้งผู้ที่ยืนยันตัวตนเช่นนี้ออกมาได้ บางคนอาจจะกลายเป็น ส, ะสะตัตตตถิติไปได้คือเห็นว่ามีตัวตนที่เที่ยงแท้ทาวรแต่ก็แก้ไม่ยากถ้าได้ศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้เข้าใจดีเพราะผู้ที่เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทยางลึกซึ้งนั้นเขาจะมีความรู้สึกอยู่สองอย่างฝังใจอยู่เสมอคือหนึ่งตัวตนที่แท้จริงนั้น ก็คือวิบากของกรรมล้วนๆวิบากของกรรมเป็นสังคตตธรรมสิ่งใดที่เป็นสังคตตธรรมสิ่งนั้นย่อมมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตัวตนที่แท้จริงของมันไม่มี 2. คนเราจะรู้อะไรอย่างแ จ, จ่มแจ้งถูกต้องตามความเป็นจริงไม่ได้ ถ้าหากตัณหาอุปาทานยังมีอยู่ในสันดานเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องชีวิตจริงๆหรืออะไรที่เหลืออยู่ซึ่งยังไม่เข้าใจยังสงสัยอยู่สิ่งนั้นจะรู้ได้อย่างจมแจ้งก็ต่อเมื่อปล่อยวางในสิ่งทั้งปวงไม่อยากมีตัวตนไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากมีอะไรต้องการอย่างเดียวคือความดับไม่มีเหลือของนามรูปเท่านั้น หมาเหตุผู้อ่านแล้วก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าความดับแห่งนามรูปนั้นดับได้ด้วยอะไรต้องรู้เหตุปัใจจัยให้ตรงไม่ใช่แค่มีความต้องการจะดับไม่เหลือเท่านั้นการที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าตัวตนที่แท้จริงซึ่งเราอาจจะมองเห็นได้ในขณะที่ยังเป็นปุถุชนอยู่นั้นก็คือวิบากของกรรมล้วน ครั้งนี้ก็เพราะตัวตนที่พบนั้นยังจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปอีกแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืนยิ่งขึ้นครั้งแรกที่พบจะทำให้รู้สึกว่าอันนี้แหละคือตัวตนที่แท้จริงแต่ในเมื่อสติปัญญาค่อยสูงขึ้นก็จะรู้สึกเองว่ามันยังไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงการที่เขาบอกเช่นนี้ก็เพราะในขณะนั้น เขาได้มองเห็นตัวตนที่ดีกว่าอันเก่าอย่าลืมว่าตราบใดที่ตัณหายังมีอยู่อุปาทานยังมีอยู่วิญญาณจะต้องมีอยู่ตลอดไปและเมื่อวิญญาณมีก็จะต้องมีนามรูปและถ้าหากวิญญาณอันนั้นมีความสดชื่นมีความบริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากอํานาจของสมาธิและวิปัสสนาวิญญาณที่มีลักษณะเช่นนี้ จะดำรงอยู่ยืนนานยิ่งกว่าอายุของโลกนี้หลายเท่าสําหรับคนที่มองเห็นเช่นนี้เขาจะกล้ายืนยันได้ว่าตัวเราที่แท้จริงนั้นไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายอันหนึ่งสาเหตุที่ทำให้คนที่เข้าถึงความจริงข้อนี้มีความสบายใจอยู่เสมอนั้นก็เพราะเขารู้สึกว่า ตัวเขาเองเป็นอิสระจากโลกของวัตถุแล้วเขารู้จักโลกของวัตถุดียิ่งกว่านักวิทยาศาสตร์เสียอีกเพราะเขามองเห็นอย่างชัดเจนว่าร่างกายก็ดีความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายก็ดีเป็นสิ่งที่เกิดมาจากตัวเราเราเป็นผู้ที่สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาและตัวเราเองที่แท้จริงนั้นสามารถที่จะสร้างร่างกายสร้างความรู้สึกนึกคิดสร้างสติปัญญาสร้างความรู้ความสามารถ ให้เกิดมาในรูปไหนก็ได้เพราะทั้งหมดนี้มันขึ้นอยู่กับตัวเราเองทั้งนั้นในเมื่อเราต้องการจะเป็นอะไรก็สร้างวิบากเองเมื่อวิบากมีอย่างเพียงพอแล้วทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นตามวิบากถ้าเราปรารถนาที่จะเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่มีอภิญยาทุกอย่างมีความรอบรู้ทุกอย่างมีความศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างและมีอายุยืนนานายิ่งกว่าอายุของโลก เราก็สามารถที่จะเป็นได้สาคนจักรวาลทั้งหมดคือบ้านของเราเราสามารถจะไปอยู่ได้ทุกคนทุกแห่งและเป็นอะไรได้ทุกอย่างคนที่เข้าใจซึ้งในเรื่องวิญญาณเข้าใจซึ้งในเรื่องกฎของกรรมและวิบาศของกรรมเขาจะสามารถยืนยันอย่างนี้ได้ทุกคนผู้ที่สามารถยืนยันออกมาได้ก็เท่ากับเขามียาวิเศษที่สามารถจะบำบัดความทุกข์ทางใจได้ทุกอย่าง แม้แต่ทุกทางร่างกายที่เกิดจากความเจ็บป่วยเกิดจากความชราเขาก็มองเห็นทางว่าการที่จะแก้ไขทุกเหล่านี้ให้ได้ผลจริงๆนั้นจะต้องทำอย่างไรเขาสามารถที่จะแก้ไขได้แม้กระทั่งปัญหาเรื่องความตายซึ่งในเมื่อปัญหาใหญ่เหล่านี้แก้ได้แล้วปัญหาอย่างอื่นนอกจากนี้เช่นความยากจนก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กสำหรับเขาหรือจะพูดว่า มันไม่มีความหมายเลยก็ได้ความรู้แจ้งเฉพาะแต่เรื่องวิญญาณและกฎของกรรมเท่านั้นไม่พอเพราะว่าความรู้เพียงเท่านี้จะทำให้เกิดความหยิงในตัวเองมีการยึดถือตัวตนที่ปราณีตเข้ามาแทนที่ได้ซึ่งข้าพเจ้าหมายความว่ามันจะมีการยึดถือตัวตนอย่างใหม่ที่ทำให้เกิดการทรมาน และในบางกรณีก็อาจจะทำให้เกิดการถือตัวตนที่ออกมาในรูปที่หยาบคายก็ได้เช่นการหลงตัวเองว่าเป็นผู้วิเศษหลงตัวเองว่าดีกว่าคนอื่นทั้งหมดและแล้วก็กลายเป็นคนที่มีโทสะร้ายหรือโกรธง่ายเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบอกว่าความรู้เพียงเท่านั้นไม่พอความรู้ที่ประเสริญยิ่งกว่านี้ก็คือความรู้แจ้งอริยสัจ ความรู้แจ้งอริยสัจหมายความว่าเริ่มมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาจากภายในว่าการมีความอยากและการยึดถือตัวตนนั้นทำให้จิตไม่สงบทำให้ความคิดฟุ้งซ่านและเป็นไปไม่ได้ที่จะได้พบกับความสุขที่สดชื่นและจําสายอยู่เสมอตัณหาคือต้นเหตุแห่งความทุกข์การดับตัณหาเสียได้คือความพ้นทุกข์ การที่จะก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงจะต้องมีความรู้สึกดังที่กล่าวมานี้หล่อเลี้ยงอยู่ในใจเสมอถึงแม้ว่าจะยังละตันหาอุปาทานยังไม่ได้ก็ตามเช่นอย่างเป็นคราวามีครอบครัวแม้ว่ายังมีความรักความผูกพันอยู่กับสามีภรรยาลูกและคนอื่นๆก็ตามถ้าหากมีความรู้ในทางอริยศัสตร์เกิดขึ้นแล้วก็จะพบว่าตัวเองมีความเป็นอยู่สุขสบาย แ่ำใสกว่าคนอื่นที่มีรู้แจ้งอริยสัจและอีกประการหนึ่งคนที่รู้แจ้งอริยสัจซึ่งถึงแม้จะยังไม่ถึงขั้นพระอริยบุคคลแต่ถ้าเข้าใจเรื่องวิญญาณเข้าใจเรื่องกฎของกรรมเป็นอย่างดีแล้วโดยธรรมดาก็จะเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายกว้างขวางมากแต่เป็นบุคคลที่มีน้าใจเสียสละ มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าการศึกษาเรื่องวิญญาณและเรื่องกรรมรวมทั้งเรื่องอริยศาสตร์ให้มีความเข้าใจเป็นอย่างดีนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตทั้งในทางส่วนตัวและในทางสังคมสุดที่จะพันน า, นาการศึกษาวิชาอื่นๆแม้จะเก่งหรือว่าเชี่ยวชาญสักเพียงไรก็ตาม วิชาเหล่านั้นทั้งหมดไม่ใช่วิชาที่เป็นหลักของชีวิตมันเป็นแต่เพียงส่วนประกอบของชีวิตเท่านั้นเพราะว่าตาสีตาสาที่ไม่มีความรู้อย่างอื่นเลยนอกจากทำนาหรือทำสวนแต่ถ้าหากตาสีตาสาที่ว่านี้เข้าใจเรื่องวิญญาณเข้าใจเรื่องกฎของกรรมเข้าใจเรื่องอริยสัจถึงแม้จะไม่ลึกซึ้งเหมือนดังที่กล่าวมาชีวิตของเขาก็ยังมีความหมาย มีสาระมีประโยชน์ยิ่งกว่านักปราชทั้งหลายที่มีรู้เรื่องของตัวเองตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้อันหนึ่งการแก้ปัญหาทุกอย่างถ้าทำในขณะที่จิตใจผ่องใสจะมีทางแก้ได้ดีกว่าในขณะที่จิตใจขุนมัวผู้ที่สามารถยืนยันถึงการมีตัวตนอีกอันหนึ่งนอกจากร่างกายอันนี้และนอกจากความรู้สึกนึกคิด ที่กําลังเกิดหรือที่กําลังมีอยู่นี้ได้จะเป็นบุคคลที่สามารถควบคุมความนึกคิดได้ดีและสามารถที่จะขับความขุ่นโม่ออกไปได้ง่ายเพราะเขารู้อยู่ว่าตัวตนที่แท้จริงนั้นแจ่มใสเบิกบานไม่มีความทุกข์ทรมานใดๆและเป็นอิสระทุกอย่างผู้ที่เข้าสมาธิได้และเคยรู้จักกับตัวตนอันนี้มาแล้วแม้เพียงครั้งเดียว ก็จะเกิดความรู้สึกประทับใจทำให้นึกได้เสมอและทำให้มีความแน่ใจว่าร่างกายที่มีอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราถ้าหากเราต้องการที่จะมีร่างกายที่ดีกว่านี้เราก็สามารถที่จะสร้างสารรค์ขึ้นมาได้โดยไม่ยากและมีความแน่ใจว่าความรู้สึกนึกคิดที่กำลังเกิดอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเรา เพราะว่าแม้ความรู้สึกเนึกคิดเหล่านี้จะดับหมดไม่มีเหลือและไม่เกิดมาอีกเลยตัวเราก็ยังอยู่ผู้ที่ยืนยันออกมาอย่างนี้ได้จะสามารถทำจิตใจของตนให้แจ่มใสอยู่ได้เสมอเพราะเหตุนี้การยืนยันอย่างนี้จึงถือเป็นหลักสำคัญในอันที่จะแก้ความทุกข์ทุกอย่างเมื่อจิตใจเราแจ่มใส เราดูจากตัวของตัวเองดีว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เดี๋ยวนี้เลยการที่เรารู้สึกเป็นทุกข์ก็เพราะเป็นหลงยึดถือเอาสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของของเราเข้าเมื่อรู้สึกตัวเช่นนี้แล้วการที่จะแก้ไขปัญหาก็จะมองเห็นทางอหนึ่ง การแก้ไขปัญหาดังกล่าวมานี้ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราหยุดคิดทำใจให้สบายได้ก็เป็นอันแก้ปัญหาได้แล้วข้าพเจ้าไม่ได้หมายความเช่นนี้เท่าที่ข้าพเจ้าแนะนามานั้นมีความหมายแต่เพียงว่าก่อนที่จะแก้ปัญหาต้องทำใจให้สบายเสียก่อนจึงจะมองเห็นทางว่าควรจะแก้อย่างไรปัญหาต่างๆ ส่วนมากถ้าหากเราไม่สาสางก็ไม่อาจที่จะแก้ได้เพราะฉะนั้นโปรดอย่าเข้าใจผิดว่าการแก้ปัญหาก็คือการเข้าสมาธิเลิกคิดถึงเรื่องที่จะทำให้ใจไม่สบายแล้วหยุดอยู่เพียงแค่นั้นความจริงเมื่อใจเราสบายแล้วเราจะต้องเอาปัญหาที่ทำให้เกิดความยุ่งยากนี้มาพิจารณาดูว่าควรจะทำอย่างไรเมื่อมองเห็นช่องทางแล้ว ก็ต้องทำไปตามทางนั้นจึงจะเป็นอันแก้ได้แต่ปัญหาบางอย่างพอจิตใจเราสบายก็รู้ขึ้นมาเองว่าเรื่องนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแต่อยู่เฉยๆแล้วมันก็จะแก้ปัญหาด้วยตัวของมันเองเช่นสมมุติว่าคนที่รักตายไปแล้วเราก็เกิดความเศร้าโศกสำหรับในกรณีอย่างนี้ท่านก็เห็นแล้วว่า เราไม่มีทางแก้ที่จะเอาคนที่รักกลับคืนมาในกรณีอย่างนี้เราต้องเลิกคิดในทางที่จะทำให้เกิดความเศร้าโศกทุกอย่างอันกลับมาคิดในทางที่จะทำให้ใจสบายเช่นคิดว่าเป็นของธรรมดาที่ทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องตายถึงเราเองก็เหมือนกันและคนที่ตายไปนั้นจะว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูก เป็นสามีเป็นภรรยาหรือเป็นเพื่อนมันก็ไม่ถูกทั้งนั้นเพราะแม้แต่ร่างกายอันนี้ยังไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราแล้วเราจะพูดได้อย่างไรว่าคนเหล่านี้เป็นพ่อของเราเป็นแม่ของเราอย่างนี้เป็นต้นอันที่จริงการคิดในถนองนี้ไม่เป็นการยากอะไรเลยแล้วเราก็เห็นด้วยว่าเป็นความจริง แต่แล้วคนในโลกจะมีสักกี่คนถ้าคนที่รักตายจากไปแล้วคิดได้เหมือนดังที่กล่าวมาการที่คนทั้งหลายทำกันไม่ได้เป็นเพราะพื้นฐานที่จะคิดอย่างนี้มีไม่พอและพื้นฐานที่ว่านี้ก็คือตราบใดที่เขายังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงซึ่งสดชื่นแจ่มใสตลอดกาลและยังไม่รู้สึกอย่างจริงใจว่า ร่างกายและความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่ใช้อยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ตัวเราและไม่ใช่ของของเราถ้าพื้นฐานนี้มีไม่พอหรือพูดอีกไวยาหนึงว่าความแน่ใจยังมีไม่พอแล้วเขาก็ไม่อาจจะตัดใจคิดถึงคนที่รักได้อดรำพันถึงความรักต่างๆไม่ได้มันเหมือนกับคนที่เงินหายสมมติว่าร้อยบาทถ้าเขาแน่ใจว่า ก็ยังมีเงินเหลืออยู่อีกตั้งหลายหมื่นเขาจะไม่เดือดร้อนเท่าใดนักตัดใจง่ายเหลืออีกในาย่าหนึ่งถ้าเขาแน่ใจว่าเงินที่หายไป น, นั้นไม่ใช่ของเขาของเขาจริงๆยังอยู่เขาก็จะไม่เศร้าโศกหรือไม่เสียใจแต่ถ้าหากเขามีแต่เพียงความหวังอย่างเลือนลางว่าอาจจะได้มาแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้จริงหรือไม่ ละถ้าทั้งเนื้อทั้งตัวเขามีเพียงร้อยบาทแล้วก็เกิดหายไปทั้งหมดในกรณีอย่างนี้มันเป็นการยากที่จะตัดใจได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าสําหรับบุคคลที่ยังไม่กล้ายืนยันออกมาด้วยความแน่ใจว่าเรายังมีตัวตนอีกอันหนึ่งซึ่งไม่ใช่อันนี้และตัวตนทีิฏฐาจริงของเรานั้นดีกว่าประเสริฐกว่าโดยประการทั้งปวง สำหรับผู้ที่ยังไม่แน่ใจเช่นนี้ข้าพเจ้ากล้ารับรองได้ว่าถ้าคนรักตายจากหรือของที่รักหายไปจะตัดใจได้ยากเพราะเขาจะต้องหลงร่างกายของเขาหรือไม่ก็หลงความคิดของเขาแต่สำหรับผู้ที่ยืนยันถึงตัวตนที่แท้จริงออกมาได้เขาจะไม่หลงร่างกายเขาจะไม่หลงความนึกคิดนอกจากจะเผลอไปบ้างเป็นบางขณะแต่แล้วในที่สุดก็จะสานึกได้ และในเมื่อเขาสลัดความหลงผิดออกไปได้แล้วการที่จะกำจัดความทุกข์ให้หมดไปก็กลายเป็นของง่ายด้วยเหตุนี้การยืนยันถึงการมีตัวตนที่แท้จริงจึงเป็นหลักของความสวัสดีโดยประการทั้งปวง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 ถ้ากลุมใจเพราะลูกทำอย่างไรจึงจะบรรเทาความกลุ้มใจได้ปัญหาที่หนักอย่างหนึ่งของสังคมในเวลานี้ก็คือเรื่องลูกไม่มีสมัยใดที่จะมีเรื่องเดือดร้อนใจทำให้พ่อแม่ต้องหนักใจเหมือนกับเรื่องเด็กในสมัยนี้เพราะสิ่งแวดล้อมในสังคมที่จะชักจูงเด็กไปในทางที่ไม่ดีมีมาก และยิ่งกว่านั้นการให้การศึกษาแก่ลูกก็เป็นภาระที่หนักมากแม้จะเรียนสําเร็จออกมาแล้วการหางานทําก็เป็นของยากและที่ร้ายที่สุดก็คือเด็กทุกวันนี้ส่วนมากไม่มีหลักสําหรับยึดเหนี่ยวในทางจิตใจอย่างเพียงพอปัญหาต่งตางๆเหล่านี้ทําให้พ่อแม่มีความหนักใจอยู่เสมอการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเด็ก ได้มีผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาอภิปรายกันมากแต่อย่างไรก็ดีข้าพเจ้าจะไม่พูดถึงวิธีแก้ปัญหาจากสิ่งภายนอกเพราะว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของรัฐบาลหรือขององค์การที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงที่จะต้องแก้ไขสำหรับในหนังสือเล่มเล็กของข้าพเจ้านี้ข้าพเจ้าจะอธิบายเฉพาะแต่ในแง่ที่จะปรับปรุงจิตใจของผู้ปกครอง เพื่อที่จะให้มีความสบายใจเกิดขึ้นเพราะข้าพเจ้าถือว่าปัญหาต่างๆในโลกนี้ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนอื่นบางทีเราก็แก้ได้แต่บางทีแก้ไม่ได้ส่วนปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวเองถ้าหากทุกคนตั้งใจจะแก้ก็มีทางที่จะแก้ไขได้และข้าพเจ้าก็ได้เคยกล่าวมาแล้วว่าการแก้ปัญหาทุกอย่าง ถ้าแก้ในขณะที่จิตใจสบายจะมองเห็นช่องทางที่จะแก้ได้ดีกว่าในเวลาที่จิตใจขุ่นมัวในหนังสือเล่มนี้ถ้าท่านผู้อ่านใช้ความสังเกตมาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ท่านจะเห็นได้ว่าวิธีแก้ปัญหาทุกอย่างที่จะได้ผลอย่างแน่นอนนั้นก็คือถ้าท่านสามารถยืนยันถึงการมีตัวตนอีกอันหนึ่งนอกจากร่างกายและความรู้สึกนึกคิดอันนี้ ถ้ายืนยันถึงตัวตนอันนี้ได้ก็สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างและตัวตนที่กล่าวนี้ก็คือวิบากของกรรมความเข้าใจซึ้งในเรื่องวิบากของกรรมอันนี้เท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างอันหนึง่งข้าพเจ้าขอกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเรายังอยากที่จะมีตัวตน เราก็จะมีตัวตนตลอดชัว่วกาลปวสารนตัวตนจะไม่หายไปจากโลกนี้หรือโลกไหนๆเราจะพบถึงการมีตัวตนอันนี้ตลอดกาลและในความหมายอันนี้นี่หละที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าเรามีตัวตนที่ไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายแต่นี่ต้องหมายความว่าเราจะต้องปรับรุงวิญญาณหรือตัวตนอันนี้ให้มีความสดชื่น ให้มีความแจ่มใสยอยู่เสมอด้วยจึงจะสามารถมีตัวตนที่ไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายการที่จะปรับปรุงวิญญาณให้มีความสดชื่นอยู่เสมอมีอยู่ทางเดียวคือเราจะต้องพยายามหัดปล่อยวางไม่ยึดมั่นในร่างกายและความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายว่าเป็นตัวเราหรือของของเราต้องพยายามหัดอันนี้ให้มากที่สุด ซึ่งถ้าหัดได้แล้วจิตใจของเราก็จะมีความสดชื่นตลอดแต่ทั้งนี้ย่อมหมายความถึงว่าเราต้องหัดบังคับความนึกคิดและควบคุมอารมณ์ให้ได้ถ้ามีแต่เพียงความรู้หรือความเข้าใจแต่เข้าสมาธิไม่ได้ควบคุมความคิดหรือควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็จะไม่มีผลงานอันนี้เป็นงานที่ยากแต่ก็มีผลคุ้มค่า และข้าพเจ้าขอย้นอีกครั้งหนึ่งว่าการแก้ไขปัญหาชีวิตนั้นจะไม่มีวิธีใดที่ได้ผลแน่นอนไปกว่าวิธีนี้เพราะฉะนั้นแม้มันจะเป็นงานที่ยากสักเพียงใดเราก็ควรจะพยายามหมายเหตุผู้อ่านสำหรับคำว่าการหัดบังคับความนึกคิด และควบคุมอารมณ์นั้นความจริงแล้วความคิดเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ควบคุมไม่ได้นะครับเมื่อมีเหตุปัจจัยจิตต้องคิดซึ่งคำที่ท่านว่าการหัดบังคับความนึกคิดและควบคุมอารมณ์นั้นความจริงก็คือการเจริญสติที่ไม่ใช่การบังคับจิตให้สงบแต่เป็นการรู้ตามความเป็นจริงซึ่งวิธีนี้ จะทาให้ความคิดดับลงได้และควบคุมความคิดได้จริงคือเมื่อเกิดความนึกคิดหรืออารมณ์ทางใจอะไรขึ้นมาก็สักแต่ว่ารู้ตามความเป็นจริงขอแค่มันมีสติดูจิตและรู้ตามความเป็นจริงแค่นั้นความคิดหรืออารมณ์ทางใจต่างๆนั้นก็จะปรากฏไตรลักษณ์ให้เห็นคือไม่เที่ยงตั้งอยู่ไม่ได้ต้องค่อยๆจางไปหรือหายไปในที่สุดให้สังเกตนะครับว่า การทำกรรมฐานการทำสมาธิเช่นอาณาปานาสตินั้นจะมีคําว่าสติต่อท้ายที่หมายถึงการรู้ลมหายใจตามความเป็นจริงซึ่งหลักแห่งการเจริญสติรู้ตามความเป็นจริงนั้นจะทําให้จิตสงบได้จริงจนเกิดเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิและต้องไม่ลืมนะครับว่าจิตเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แต่เกิดขึ้นได้เพราะมีเหตุ ดับได้เพราะหมดเหตุขอแค่เพียงรู้ตามความเป็นจริงจิตสงบก็รู้ว่าสงบจิตไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบสักแต่ว่ารู้ไปเรื่อยก็จะได้พบกับความสงบอันแท้จริงหลักสำคัญของการทำสมาธิก็คือสติต้องจำคำนี้ไว้ให้แม่นนะครับ ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกบทสามารถที่จะนำมาใช้สำหรับแก้ปัญหาได้ทุกอย่างแต่คนส่วนมากนำมาใช้ไม่ได้เช่นในกรณีที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้พิจารณาว่าเรามีกรรมเป็นของตนเราเป็นทายาทของกรรมเรามีกรรมเป็นผู้ให้กาเนิดเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจัต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้น คำสอนบทนี้คนส่วนมากได้ยินได้ฟังเสมอแต่พอถึงเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเอามาใช้ไม่ค่อยได้คือนึกขึ้นมาแล้วมันไม่ทำให้ความทุกข์น้อยลงและบางทีก็ไม่อยากจะนึกถึงซึ้ด้วยซ้ำไปตัวอย่างในกำนองนี้มีแพร่หลายในสังคมเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้นำมาพิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วในที่สุดก็จับหลักได้ว่าการที่คนส่วนมาก พิจารณาอย่างนี้แล้วไม่ได้ผลนั้นข้อที่หนึ่งเป็นเพราะความเข้าใจในเรื่องกฎของกรรมยังไม่ลึกซึง้งยังไม่ละเอียดถี่ถ้วนพอข้อที่สองเป็นเพราะความหลงคิดของตัวเองที่กําลังเสนอแนะอยู่ในขณะนั้นสาเหตุข้อที่สองนี่แหละคือสาเหตุใหญ่ที่ใช้ธรรมะกันไม่ได้ผล ข้าพเจ้าได้ประจักษ์ความจริงข้อนี้มานานแล้วข้าพเจ้าจึงได้เสนอแนะวิธีป้องกันไม่ให้หลงความคิดของตัวเองและไม่ให้หลงยึดถือร่างกายว่าเป็นตัวเราหรือของของเราจนเกินไปโดยการถามปัญหาตัวเองสองข้อดังที่ข้าพเจ้าได้เคยอธิบายมาแล้วหลายครั้งเ <occupy. S 2> <s> มื่อท่านมีความกลุ่มใจหรือมีความหนักใจเกี่ยวกับเรื่องลูก ซึ่งจะเนื่องมาจากเหตุใดก็ตามอย่าลืมว่าครั้งแรกต้องพยายามทําใจของท่านให้สบายเสียก่อนด้วยการเข้าสมาธิแล้วตั้งปัญหาถามตัวเองทั้งสองข้อเมื่อเราได้คําตอบที่ชัดเจนออกมาแล้วว่าร่างกายก็ดีความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายก็ดีนิสัยใจคอทั้งหลายก็ดีความรู้ความสามารถทั้งหลายก็ดีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเรา เพราะแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะดับหมดไม่มีเหลือแต่ตัวเราก็ยังอยู่ต้องพยายามเข้าสมาธิพิจารณาอย่างนี้จนกระทั่งจิตใจสงบดีแล้วต่อจากนี้ก็ขอให้พิจารณาถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าดังต่อไปนี้อีกความทุกข์ทั้งหลายที่มันกำลังครอบงำอยู่นั้นมันจะค่อยละลายหายสูญไปเองและพร้อมกันนั้น เราก็จะมองเห็นช่องทางที่จะแก้ปัญหาสำหรับลูกได้อีกด้วยข้อความที่จะต้องพิจารณาก็คือเราเกิดมาด้วยกรรมของเราเองเรามาคนเดียวเวลาตายก็ไปคนเดียวกรรมเป็นผู้ให้กาเนิดกรรมคือพ่อแม่ที่แท้จริงของเราเราผู้เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงของเขาเราเองเป็นพ่อแม่คนที่สอง เราไปขอลูกคนอื่นเข้ามาเลี้ยงทุกคนจะต้องเป็นไปตามวิบากของกรรมไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ถ้าเขาทำกรรมดีมาแล้วกรรมก็จะช่วยตัวเขาเองแต่ถ้าเขาทำกร ร, รมมาไม่ดีเราก็ไม่อาจจะแก้ไขได้นอกจากว่ากรรมของเขาจะไม่หนักเราก็อาจจะช่วยเปลี่ยนแปลงได้บ้างสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎของกรรมทั้งสิน้นท่านจะต้องมันพิจารณาตามแนวนี้บ่อยๆจนกว่าจะเข้าใจซึ้งและปล่อยวางได้เมื่อจิตใจสบายแล้วท่านจะรู้เองว่าปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องลูกนั้นเราจะแก้ไขอย่างไรแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเมื่อจิตใจเราสบายแล้วเราก็เพิกเฉย ไม่ควรควายที่จะทำอะไรต่อไปอีกเพราะเป็นนึกเสีว่าสุดแล้วแต่กรรมอย่างนี้ไม่ถูกคำแนะนำที่ข้าพเจ้ากล่าวมานั้นเป็นเพียงวิธีที่จะทำให้ใจสบายและจะได้ลายเห็นลู่ทางสำหรับแก้ปัญหาหน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูกก็คือจะต้องพยายามเอาใจใส่ให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้คนที่เข้าใจซึ่งในเรื่องกฎของกรรมจริงๆนั้น เขาจะไม่เป็นคนที่อยู่เฉยๆตรงกันข้ามเขาจะต้องพยายามต่อสู้กับปัญหาทุกอย่างและพยายามที่จะเอาชนะให้ได้เช่นเดียวกับที่คนทั้งหลายในโลกเขากระทำกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้โปรดอย่าเข้าใจผิดพุทธศาสนกชนคนใดถ้าพื้นเดิมเป็นคนที่มีสันดานขี้เกียจไม่อยากจะขวนขวายทำอะไรต่างๆพอมาศึกษาเรื่องกรรมเข้า ในที่สุดก็มักจะกลายเป็นคนที่รอคอยแต่จะให้โชคชะตาบันดาลไม่ควรขวายไม่ดินรนอันนี้เป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่ควรจะต้องแกตามหลักพระพุทธศา ส, สนาแม้จะสอนว่าคนเราจะทำอะไรสำเร็จก็ต่อเมื่อมีบารมีมาอย่างเพียงพอ และสอนให้เรารอคอยอาผลในชาติหน้าอย่างนี้ก็จริงอยู่แต่พระพุทธศาสนาก็สอนให้เราพยายามช่วยตัวเองเร่งขวนขวายทําสิ่งต่างๆ่างให้สำเร็จเสร็จสิ้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้และสอนว่าการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกรรมในอดีตก็คือการพยายามปรับปรุงการกระทำในปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ โชคชะตาทั้งหลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกรรมของเราเองเพราะฉะนั้นโชคชะตาทุกอย่างเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้และการที่พระพุทธเจ้าสอนให้คนเราพยายามละกิเลสนั้นก็เท่ากับเป็นการสอนให้ทุกคนพยายามเปลี่ยนโชคชะตาของตนเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าคนที่มีความเป็นอยู่อย่างขี้เกียจแมดินรนคว้นควายเพื่อที่จะก้าวต่อไป จึงได้ชื่อว่าปฏิบัติไม่ถูกแต่ถ้าหากคนไหนใจร้อนเกินไปจะทำอะไรก็จะเอาแต่ใจไม่นึกถึงเรื่องกฎของกรรมก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันการแก้ปัญหาทุกอย่างตามแนวที่ข้าพเจ้าได้แนะนำไว้ในหนังสือเล่มนี้มีหลักอยู่เพียงอันเดียวเท่านั้นกล่าวคือท่านจะต้องพยายามศึกษาเรื่องวิญญาณ เรื่องกฎของกรรมให้เข้าใจซึง้งจนกระทั่งมองเห็นความจริงได้อย่างชัดเจนว่านามรูปหรือชีวิตของเราทั้งหมดนี้เป็นผลแห่งวิบากของกรรมจริงๆเมื่อเรามองดูที่ต้นไม้เราเข้าใจอย่างชัดเจนว่าต้นไม้จะเกิดมาเป็นต้นอะไรสาคัญอยู่ที่วิบากคือเชื้อซึ่งอยู่ภายในมเมล็ดของมันดินฟ้าอากาศ แม้จะมีความสําคัญสักเพียงไรก็ตามก็เป็นแต่เพียงส่วนประกอบเท่านั้นไม่ใช่ตัวการที่จะกำหนดความเป็นต้นไม้ออกมาข้อนี้ฉันใดท่านจะต้องพยายามมองให้เห็นว่าสภาพของร่างกายและสภาพของจิตใจโชคชะตาวาสนากราะ ก, กรรมต่างๆทั้งหมดนี้เปรียบเหมือนต้นไม้ซึ่งทั้งหมดเกิดมาจากวิบากของมันวิบากเป็นสิ่งที่มีอยู่ในวิญญาณ เป็นคุณสมบัติของวิญญาณเป็นสมัติภาพของวิญญาณส่วนพ่อแม่สิ่งแวดล้อมอื่นๆรวมทั้งการกระทําในปัจจุบันเป็นแต่เพียงส่วนประกอบเท่าน er şey да> ั้นไม่ใช่ตัวการที่จะกำหนดให้เราเป็นอะไรเมื่อท่านมีความเข้าใจซึ้งเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณและกฎของกรรมดังที่กล่าวมาแล้วท่านก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากว่า เมื่อเราปรารถนาที่จะมีตัวตนที่ยั่งยืนไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายเป็นตัวตนที่มีความสมบูรณ์มีความสดชื่นและแจ่มใสอยู่เสมอตัวตนที่ว่านี้ท่านก็จะได้สมความปรารถนาแต่ข้อสำคัญท่านจะต้องพยายามฝึกสมาธิจนกระทั่งสามารถควบคุมอารมณ์และควบคุมความนึกคิดทั้งหลายได้ซึ่งในเมื่อทาได้แล้วท่านก็จะรู้ได้เองว่า ตัวตนที่สดชื่นไม่มีความทุกข์ไม่มีความทรมานนั้นมีอยู่จริงๆซึ่งในเมื่อเข้าใจความจริงหรือได้พบกับตัวตนอันนี้แล้วท่านก็จะมีความสวัสดีไปตลอดกาลแต่อย่างไรก็ดีอย่าลืมว่าความรู้เรื่องกฎของกรรมอย่างเดียวจะช่วยให้คนเรามีจิตใจเบิกบานและสดชื่นอยู่เสมอไม่ได้ ท่านจะต้องมีความรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องไตรลักษณ์และเรื่องอริยศาสตร์ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงแม้เราจะรู้สึกอยู่ว่าในเมื่อเราปรารถนาที่จะมีตัวตนที่ยั่งยืนตัวตนที่สดชื่นเราก็อาจจะมีได้ตลอดไปก็จริงแต่ว่าตราบใดภายในจิตใจยังมีความอยากที่จะมีตัวตนยังมองไม่เห็นความจริงขั้นสุดท้ายที่ว่าตัวตนที่แท้จริงไม่มี รอทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการเกิดขึ้นย่อมเป็นสังคต ธ, ธรรมทั้งสิน้นสังคต ธ, ธรรมคือสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งหรือคือสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเหตุร่วมกันและเมาเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเสื่อมและสิ้นไปสิ่งที่เป็นสังคต ธ, ธรรมย่อมไม่มีตัวตนที่แท้จริงต้องพยายามมองให้เห็นความจริงอันนี้ด้วย ซึ่งเป็นความจริงอันสุดท้ายที่จะทำให้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นพระอริยบุคคลความเข้าใจในความจริงข้อนี้ถ้าหากว่าจาแจ้งและลึกซึ้งอย่างเพียงพอแล้วจิตใจจะสดใสและเบิกบานยิ่งนักความพ้นทุกจริงๆจะมีได้โดยเด็ดขาดก็ต่อเมื่อเข้าถึงความจริงอันนี้เท่านั้นขอให้ท่านผู้อ่านได้โปรดนึกถึงพระพุทธพจน์ดังต่อไปนี้ มัคคานัถังกิโกเศธโธสัจจานังจตุโรปทาวิราโคเศธโธธรร ม, มานังทิปทานันจะจะักขูมาบรรดาทางทั้งหลายทางคือมัคซึ่งมีองค์แปดเป็นทางประเสริฐบรรดาสัจจะทั้งหลายสัจจะซึ่งมีบทสี่คืออริย ส, สัจสเป็นสัจจะประเสริฐบรรดาธรรมทั้งหลายวิราค้ธรรม คือนิพพานเป็นธรรมะประเสริฐสุดบรรด า, าสัตว์สองเท้าทั้งหลายพระตถาคตผู้มีจักสุเป็นผู้ประเสริฐสุดมีจักสุในที่นี้คือตรัสรู้รู้แจ้งตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงขอให้ท่านสังเกตความหมายของพุทธพจน์เหล่านี้ให้ละเอียดและท่านจะได้ข้อคิดที่มีประโยชน์ต่อชีวิตมากมาย โดยเฉพาะในที่นี้ขอให้ท่านสังเกตคำว่าการรู้ความจริงต่างๆตามความรู้สึกของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีสิ่งใดที่จะประเสริฐยิ่งไปกว่าการรู้แจ้งอริยสัจหมายถึงมีความรู้สึกเกิดขึ้นจากใจจริงว่าตัณหาคือต้นเหตุแห่งความทุกข์การดับตัณหาเสได้ก็คือความพ้นทุกข์แล้วรู้สึกอีกว่า การเกิดหรือการมีนามรูปเป็นความทุกข์ความดับไม่เหลือของนามรูปคือความพ้นทุกข์และการที่จะดับนามรูปได้คือดับตัณหาได้ก็มีอยู่ทางเดียวคือต้องปฏิบัติตามมรรคมีองศาศการที่จะให้ความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นจากใจจริงนั้นเป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่งเพราะคนที่จะมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นนั้น จะต้องมีบารมีทั้งสิบไม่อย่างเพียงพอจะต้องเป็นคนที่เข้าใจซึ้งในเรื่องของชีวิตละเอียดถี่ถ้วนมากและจะต้องไม่มีความกดดันเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ต่างๆความรู้สึกที่ว่านี้จึงจะเกิดขึ้นได้และถ้าลงว่าความรู้สึกอันนี้เกิดขึ้นแล้วแม้จะไม่บ่อยนักนานๆเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งก็ตามก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสุดจริ น, นานาโดยเฉพาะ ย, ายิ่ง ผู้ที่มีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นจะสามารถเข้าสมาธิได้ง่ายมากและความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตต่างๆก็จะค่อยๆแจ่มแจ้งขึ้นโดยลำดับอันหนึ่งที่ว่าวิราคาธรรมคือนิพพานเป็นธรรมะสูงสุดนั้นหมายความว่าถ้าหากผู้ใดมีจิตน้อมไปสู่นิพพานแล้ว ซึ่งหมายความว่าต้องการที่จะให้น้ำรูปทั้งหลายดับสนิทเพราะรู้สึกแล้วว่าเราจะรู้ความจริงต่างๆของชีวิตอย่างจำแจ้งด้วยตัวของตัวเองได้ก็ต่อเมื่อใจจะต้องว่างไม่เกาะเกี่ยวไม่ติดอยู่ในอารมณ์ใดๆและมองเห็นชัดว่าน้ำรูปเป็นสังคตาธรรมสิ่งเหล่านี้ไม่มีตัวตนของมันที่แท้จริงเพราะฉะนั้น จึงต้องการที่จะให้มันดับสนิทผู้ที่มีความรู้สึกอย่างนี้และเข้าใจอย่างนี้เรียกว่ามีจิตน้อมไปสู่นิพพานสำหรับผู้ที่มีจิตน้อมไปสู่นิพพานเช่นนี้จะทำให้ตันหาอุปาทานในสันดานค่อยๆหมดไปและในเมื่อตันหาอุปาทานค่อยๆจางลงแล้วอวิชชาที่ครอบงามจิตใจอยู่ก็จะจางลงด้วย และความสว่างซึ่งหมายถึงความเข้าใจในเรื่องของชีวิตและเรื่องของสากลจักรวาลก็จะค่อยๆชัดขึ้นจิตใจจะแจ่มใสและเบิกบานยิ่งขึ้นต้องด้วยการเข้าถึงภาวะอันนี้เท่านั้นจึงจะเป็นอนันรู้แจ้งตามความเป็นจริงในสิ่งทั้งปวงนอกจากนี้แล้วไม่มีทางเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า วิราคาธรรมคือนิพพานเป็นธรรมะสูงสุดขอให้สังเกตว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรับรองพระองค์เองว่าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าใครๆทั้งหมดในสากลจักรวาลพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ไม่มีตัณหาไม่มีมานะไม่มีทิฏฐิ ไม่มีอุปาทานไม่มีอวิชชาการที่พระองค์ตรัสเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการโอร้อวดแต่เป็นการบอกความจริงให้ทราบเพื่อจะให้สาวกทั้งหลายได้เกิดความแน่ใจว่าการเชื่อพระพุทธองค์เป็นความปลอดภัยอย่างที่สุดมาเหตุผู้อ่านตามสับแล้วการประกาศแบบนี้ท่านเรียกว่า บลูซีฮนาตคือการประกาศอย่างโองง่งอาจถึงคุณสมบัติตามความเป็นจริงที่มีอยู่ในตนอันหนึง่งข้าพเจ้าอยากจะให้ข้อคิดว่าอีกข้อหนึ่งว่าขอให้เราพยายามพิจารณาดูความคิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจของเราขอให้สังเกตว่าความคิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นก็เพราะอาศัยประสาทสัมผัส ประสาสัมผัสเป็นของจำกัดและนอกจากนี้ความคิดทุกอย่างยังตกอยู่ภายใต้อำนาจของตัญหาอุปาทานและอวิชาที่มีอยู่ภายในสันดานอีกด้วยด้วยเหตุนี้ความคิดทุกอย่างที่ใช้กันอยู่เสมอนั้นจึงไม่มีความสมบูรณ์ท่านควรจะพิจารณาให้เห็นว่าความรู้ที่แท้จริงหรือความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ความคิดทั้งหลายไม่เกิดหมายความว่าความรู้แจ้งตามความเป็นจริงในสิ่งต่างๆจะเพึงมีได้ก็ต่อเมื่อในใจไม่มีความนึกคิดแต่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์จิตสงบนิ่งวางเฉยไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีความยินดียินร้ายไม่กกเก่อเกี่ยวไม่ติดอยู่ในสิ่งใดๆเมื่อจิตมีลักษณะอย่างนี้เท่านั้นจึงจะรู้อะไรตามความเป็นจริง หลักอันนี้นะักศึกษาส่วนมากไม่เคยนึกถึงหรือมองไม่เห็นเลยเขาได้โปรดสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อความนึกคิดเกิดความอยากและความยึดถือต่างๆจึงจะเกิดขึ้นการสมมุติหรือการบัญญัติต่างๆจึงจะเกิดขึ้นและความเข้าใจต่างๆก็ยอมเป็นไปตามความนึกคิด แต่ถ้าความนึกคิดไม่เกิดความอยากและความยึดถือต่างๆก็ไม่เกิดการสมมุติหรือการบัญญัติต่างๆก็ไม่เกิดความเข้าใจผิดๆถูกๆหรือความเข้าใจที่ไม่สมบูรณ์นั้นก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยผู้ที่รู้สึกอย่างนี้และเข้าใจอย่างนี้จะสามารถควบคุมความนึกคิดของตัวเองได้ง่ายมากและความรู้แจ้งตามความเป็นจริงในสิ่งต่างๆ ก็จะค่อยๆเปิดเผยออกมาจากภายในนี่คือหลักการที่สำคัญมากที่จะทำให้คนเรามีความสวัสดีตลอดกาลนานจบเสียงงานหนังสือความสวัสดีเขียนโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาต แต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่า น, นั้นนะครับ